เดี๋ยวเดี๋ยวนี้จะพาญาติโยมไปกราบท่านทางจิตใจนะ เ, เราจะเข้าเราจะนั่งสมาธิกันสักสิกนาทีี่ถ้าจิตเราสงบแล้วก็จะเราก็จะรู้ว่าท่านอยู่ที่ไหนท่านไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกนะแต่แต่ว่าเราไม่สามารถติดต่อกับท่านทางร่างกายได้แต่เรา ย, ยังสามารถติดต่อกับท่านทางจิตใจได้เสมเอเพราะจิตเป็นสิ่งที่ไม่ตาย บางทีไปไปถึงหน้างกายท่านก็อาจจะไม่ถึงจิตของท่านเพราะไปถึงแี่นั้นจิตก็ว้าวุ่นขุนมัวกันไปหมดจิตไม่สงบกันก็จะไม่ถึงตัวท่านนะถ้าอยากจะถึงตัวท่านก็ทําจิตใจให้สงบแล้วเราจะรู้ว่าท่านเป็นอย่างไรจิตทุกดวงที่มีความสงบนี้เหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นจิตของใครก็ตามเมื่อเราเข้าถึงควาสมสงบนี้แล้วเราก็จะเข้าถึงตัวท่าน มันเดียวใครดูนายในในการนึ่ง น, น, นาทีแล้วก็แล้วก็เราค่อยมาคุยกันตอนนี้เรามาปฏิบัติมุชากันมุนชาแท่นทาจิตใจแล้วกั น, น, ก น, นะะมีสติอยู่กับอารณ์ใดอารมณ์หนึ่งจะอยู่กับลมหายใจเข้าออกก็ได้จะอยู่กับพุทโธ ก, ก็ได้แล้วแต่ที่เราถนัดเราชอบอะไรก็ให้ใจของเรา อยู่ที่ที่เสียงนั่งก็แล้วกันทรือจะลึกถึงองค์ท่านก็ได้ความจริงภาพของท่านนั้นไม่ใช่องค์ท่านหรือภาพของท่านที่แท้จริงก็คือความว่างความสงบพยายามทําจิตให้ว่างให้สงบอย่าให้มีความคิดตรงแต่งเข้ามารบ ก, กวนในขณะนี้ขอให้ทําใจให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกหรืออยู่กับการบ ร, ริครรมพุโทโธพุทโธ เวลา10นาทีก็คงจะครบนะแล้วเจ็ดสมงบเป็นอย่างเนี้ยจิตมันไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายร่างกายจะเป็นอะไรเจ็ดก็ยังเป็นเจ็ดอยู่เป็นเป็นจิตที่สงบหรือไม่สงบถ้าจิตสงบเจ็ดก็สบายค่อ ม, มีความทึด เรื่องเรื่องความทุกข์ต่างๆก็เข้ามาแบกความทุกข์มันก็จะอยู่เข้างนอบจิตความทุกข์ของร่างกายความเจ็บความแก่ควางกายของร่างก า, า, ายมันก็เป็นสิ่งที่จิตเราครจะต้องการชานิจิตสงบจิตก็ไม่ได้ไม่ได้ปุงไม่ได้อยากให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ปล่อยให้ร่างกายเข้า เป็นไปตามตามเรื่องของเขาส่วนเราสติปัญญาธรรมะก็รักษาจิตให้สุบเวลาร่างกายเป็นไรก็ต้องทำอย่างนี้กันทำทำจิตให้สมด ต, ตอนที่พระพุทธเจาเสด็จดับการธ้าทาวนิพพานท่านก็เข้าสู่สมาธิเข้าสู่ชานขั้นต่างๆจนถึงาวารสุดท้ายก็ก็ปล่อยวางย ก็แยกออกจากร่างกายไปเจตไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายร่างกายเป็นเพียงอาการสาสิบสองผมขลเล็บฟันที่ทำมาจากยินน้หลไมไปเมื่อเขาหมดอายุเขาจะต้องเสืส่อมสภาพส่วนประกอบที่อารมกันเพื่อดินน้มลงไปก็แยกกันไป คนลาทางกันน้าก็ไดิทางไปทางน้าก็กลับไปรวมกับน้หลมก็กลับไปรวมกับลมดินก็กลับไปรวมกับบดนไฟก็กลับไปสู่พวกของเขาเพราะว่าเขาถูกแยกออกมาด้วยด้วยการออด้วยการ การทำงานของธรรมชาติเช่นฝนตกลงมาในดินก็ทำให้ต้นไม้อนุเลตที่มีอยู่ในดินน้ำเจริญขึ้นมาเป็นผักเป็นอาหารให้แก่สัตว์ให้แก่มนุษย์พอสัตว์มนุษย์กินเข้าไปก็ได้ได้อาการ3าไส้ผสองได้ของได้ของแบได้ใส นี่คือเรื่องของร่างกายเป็นอย่างนี้เป็นเหมือนกันทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นร่างกายของพระพุทธเจ้าหรือร่างกายของผู้ตุชนอย่างพวกเรานี้ก็เหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันเหมาอนอ่ากบินน้ำโยนไฟด้วยกันทุกขณะนี้เราเติมลมอยู่ทุกขณะเราหายใจเข้าแล้วก็เติมลมเข้าไป ร่างกายนี้ขาดการขาดลงหายใจไม่ได้พอขารลงหายใจการทํางานของร่างกายก็หยุดทางานน้ําก็ต้องเอาเข้าเพียงแต่ว่าไม่ถีเหมือนกับลมอาหารก็ต้องเอาเข้าแต่ก็ไม่ดินก็ต้องเอาเข้าแต่ก็ไม่ถีเหมือนกับกับน้ําวงนี่ถีมากน้ําก็ถีน้อยหน่อยแล้วก็ดินนี้ก็ ที่่ทีน้อยหน่อยเราไม่ขาดลมหายใจได้ไม่กี่นาทีร่างกายก็ต้องหยุดทำ ง, งานถ้าขาดน้ำก็มันไม่กี่วันก็ก็จะต้องหยุดทำ ง, งานถ้าขาดเบียนคืออาหารก็ได้อยู่ได้น้ายวันก่อนหน่อยก่อนที่จะหยุดทำ ง, งานแต่มันเป็นการเป็นการนาเอาธาตุเข้ามา เพื่อมาเสริมท่าที่กําลังรวมตัวกันอยู่นี้ให้รวมต่อให้รวมตัวต่อกันไปได้เพราะท่าที่รวมตัวอยู่เก่านี้เขาก็พยายามที่จะแยกตัวของเขาออกมาเอามื อ, อมา ท, า ท, าทางทางทางทวารต่างๆลมหายใจลมลมหายใจเก่าก็ต้องถูกขับออกมาน้ำที่เดิอดเขไปก็ถูกขับออกมานะดินที่ เอาเข้าไปก็ถูกขับออกมานี่คือระบบของร่างกายระบบของการเข้าออกของดินน้ำลมไฟไปมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปจนกว่าการแยกตัวของดินน้ำลมไฟนี้มีกําลังมากกว่าการรวมตัวของดินน้ำลมไฟเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วมันก็ไม่พอให้เรามันก็จะไม่รับมันก็จะไม่รับ ดินน้ำลมไฟใหม่เข้าไปอาหารก็จะกินไม่ได้น้ำก็จะเดือนไม่ได้ก็ต้องมีวิธีเอาอาหารเข้าไปด้วยการใช้สายยางใช้หลอดนี่เป็นการทำผืนธรรมชาติเป็นการทำจากการปรุงแต่งของจิตของผู้อื่นีึกของตนเองที่สั่งให้ผู้อื่นทาให้ก็ แต่จะฝืนจะบังคับยังไงในที่สุดมันก็ไม่รับอยู่ดีเพราะมันจะมันมีแต่จะแยกออกจากกันมันจะไม่ยอมรวมตัวกันเมื่อถึงเวลานั้นมันก็ถึงถึงจุดสุดท้ายถึงการหยุดทำงานของร่างกายเราก็เรียกว่าคนตายแต่กามจริงคนนี้ไม่ใช่ร่างกายคนที่ทำอะไรต่างๆ โดยผ่านทางร่างกายนี้ก็คือใจใช้ร่างกายนี้เป็นเป็นลูกน้องเป็นบานน่าวใจเป็นนายสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆทําดีบ้างทําบาบ้า ง, างแล้วก็รับผลบากระผลผลดีที่ตนเองทําจนกว่าจะหยุด หยุดทำบาปและหยุดการกระทำทุกอย่างก็จะไม่ต้องไปไปไปหาไปได้ร่างใหม่มาไปเกิดใหม่ถ้าจิตสงบนิ่งในขณะที่ได้ตลอดเวลาปล่อยให้เวลาที่ร่างกายเป็นยะงไรก็ปล่อยให้เขาเป็นไปจิตก็จะไม่ไม่ต้องไปมีร่างใหม่ แต่ถ้าจิตยังไม่นิ่งจิตยังต้องไปเวลาไม่มีร่างก็เหมือนกับเวลาที่เรานอนหรอกแล้วเราก็เริ่มฝันไปฝันดีก็ไปดีฝันดีก็เหมือนกับไปสวรรค์เป็นเทพเป็นพรถ้าฝันร้ายก็เป็นเปรตบ้างเป็นมารบ้างจนกว่าจนกว่าจะ หมดแรงของฝันนั้นก็จะตื่นขึ้มาเป็นมนุษย์บ้างเป็นเบลาชานบ้างแล้วก็มามามาทำกันททำบุญด้วยร่างกายของตัวเองต่อไปไหม่จนกว่าร่างกายนั้นมันจะตายระดับไปแล้วก็เหมือนก็กลับไปฝันใหม่ ตอนมีร่างกายนี้ก็เหมือนับตอนที่เราตืน่นตอนที่ร่างกายนี้แตกไปแล้วกลับไปแล้วก็เหมือนตอนที่นอนนอนเรานอนหลับแล้วฝันไปทุกอย่นี้ตอนที่นอนนอนเรานอนหลับแล้วเราฝันไปนี้ก็เหมือนกับเราไปเราไปเกิดใหม่เราไปใช้บุญใช้บาปของเราชั่วคราวระยะสั้นๆขณะที่เรานอ น, น, อน ถ้าฝันไม่ดีก็เหมือนเราไปช้บาปถ้าฝันดีก็เราไปไปรับบุญแต่ถ้าร่างกายนี้มันมันนอนหลับยาวเลยคือไม่ตื่นเลยร่างกายนี้ตายไปมันก็จะฝันยาวเลยฝันไปจนกว่าหมดแรงของบุญหรือบาป ท, ที่ส่งใจให้ให้ฝันนั้นแล้วก็ กลับมาได้ร่างกายน่อยได้มาเป็นมนุษย์บ้างได้มาเป็นในรชาญบ้างขึ้นแต่บุญกรรมที่ที่ยังมีเหลืออยู่จะจะส่งผลให้ให้มาเกิดนี่ก็เรื่องของจิตะจิตมันไม่ตายจิตมันก็มันก็ได้ร่างใหม่ขณะได้ร่างใหม่มันก็มาทําบุญทําบา แล้วก็ขณะที่ร่างที่ได้ได้มามันแตกมันตายไปก็เหมือนเหมือนเข้าสู่ความฝันประยะหนึ่งช่วงนั้นก็เรียกว่าเป็นช่วงของกายทิพย์อย่างเช่นพระพุทธมารดาท่านเสด็จสวรรคเจ็ดวันก็แล้วหลังจากที่ทรงระสูตรพระพุทธเจ้าท่านก็ได้กายทิพย์เป็นเทพ องค์เ จ, จา้าก็สามารถติดต่อกับกายทิศนี้ได้ด้วยพลังจิตนี้ด้วยพลังสมาธินี่เราเข้าสมาธิกันพื้นที่พืน้นที่หลวงปู่มั่นท่านมรณภาพคุณแม่ชีแก้วท่านก็รับทราบทางสมาธิเพราะหลวงปู่ท่านปรากฏในนิมิตของท่านว่าท่านได้มรณภาพไปแล้ว เพราะว่าเม่ชี้แจานั้นท่านเตรียมตัวจะเดินทางไปกับท่านในวันรุ่งขึ้นตอนเช้าน้องปู่ท่านก็บอกว่าไม่ต้องไปแล้วท่านเสียแล้วนี่คือเรื่องของจิตที่เราจะไม่ก็ได้เห็นหรือเข้าใจกันถ้าเราไม่เข้าสมาธิ ถ้าเราเข้าสมาธิมากๆบ่อยๆเราจะเห็นตัวจิตชัดขึ้นชัดขึ้นจิตสงบมากเท่าไรก็จะเห็นตัวรู้นี้เด่นขึ้นเด่นขึ้นจะรู้ว่าอ๋อนี่แหละคือตัวจิตไม่ใช่ตัวร่างกายจะรู้ว่าตัวนี้แหละเป็นผู้ทำบุญทำบาปทำเป็นผู้สั่งการให้ร่างกายทำอะไรต่างๆร่างกายมาถึงที่นี่ได้ก็เพราะว่าจิตนี้เป็นผู้สั่ง ถ้าจิตไม่ได้สั่งก็จะไม่ได้มาหรือถ้าร่างกายไม่มีไม่มีจิตร่างกายก็ไม่สามารถไปที่ไหนเมื่อไหนได้จิตจึงเป็นตัวตัวละครตัวที่เล่นละครส่วนร่างกายนี้เป็นเหมือนหัวโขนส่วนให้เป็น เป็นตัวต่างๆเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนรวยเป็นคนจนเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นนายกรับทุนจรเป็นอะไรต่างๆนี้เป็นหัวขวัเล่นละครไปจนกว่าบทมันจะหมดบทมันหมดเมื่อไหร่ก็ต้องเปลี่ยนหัวขวัญเน่เป็นนายยกนบางทีก็กลับมาเป็นประชาชนเต็มขั้น เป็นหมากระสับบางทีก็ถึงเขาตัดซีตัดตัดเผชิญถึงเขาฆ่าหรือแมก็ต้องรีพัยไปอยู่เปลี่ยนสถานที่อยู่เลยนี่เป็นหัวขนมชีวิตของพวกเราล่างกายของพวกเรานี้เป็นเหมือนหัวขขนโดยที่มีใจนี้เป็นผู้เป็นตัวเล่นบทต่างๆกัน ใ, ใจมักไม่ค่อยรู้ว่ า, ว, าว่าร่างกายนี้เป็นหัวโขนใจกลับไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวตัวเราของเราก็เลยต้องทุกไปกับกับบทของของหัวโขนนี้เวลาหัวโขนนี้ได้ดึกได้ดีก็ดีออกดีใจเวลาตกด่านก็เท่าสศกเสียใจ มีความสุขมีความทุกข์ส่วนใหญ่ก็จะมีความทุกข์มากกว่าความสุขเพราะความทุกข์มันมีอยู่ตลอดเวลาเพราะมันไม่ได้มันแม่้ทุกข์ก็ตอนที่เสียเสียเสียไปเท่านั้นตอนที่มีอยู่ก็ทุกข์ตอนที่มีอยู่ก็มีความทุกข์ด้วยความกังวลด้วยความห่วงด้วยความห่วงด้วยความกลัวมันก็เป็นความทุกข์อยู่ตลอดเวลา แต่ถ้ารู้ว่าเป็นหัวโขนแล้วก็รู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วเราสั้งวันหนึ่งก็ต้องทิ้งมันไปดีเราก็จะไม่ยึดติดกับมันถ้าเราไม่ยึดติดกับมันแล้วเราก็จะไม่รู้สึกว่าไม่มีความทุกข์คือไม่มีความกังวลไม่มีความหวงไม่มีความห่วงไม่มีความกลัวจิตก็จะอยู่อย่างปกติ อยู่อย่างสุขอย่างสบายนี่ก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ทั้งหลายพยายามสอนพวกเราเพให้เรารู้รู้ความจริง น, นี้ให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จิตเรามาครอบครองหรือมาเกี่ยวขอ้องด้วยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ มีคุณมีประโยชน์กับจิตใจมีแต่จะให้ความทุกข์ต้องอย่าไปยึดอยากไปติดเราอยากไปแสวงหาสมมติว่าร่างกายนี้ตายไปแล้วก็อยากไปหาร่างกายใหม่อยากไปเกิดใหม่อย่าไปอยากมีอย่าไปอยากกับลูกเสียงกลิ่นรสอย่าไปอยากกับ การมีการมีการเป็นอยากมีอยากเป็นอย่งนี้หรืออยากไม่มีอยากไม่เป็นให้จิตมันเนิ่งเหมือนขณะที่เรานั่งอยู่ในสมาธิพยายามทําจิตให้มันนื่งอย่างนั้นให้ได้ตลอดเวลาแล้วรับรองได้ว่ามันก็จะไม่ไปเกิดอีกเนีน่ย การกระทำต่างๆนี่นเป็นอุบายที่ครูบาอาจารย์ท่านต้องการให้เราได้เข้าถึงความสงบอันนี้เข้าถึงตัวจิตเข้าถึงการไม่ต้องไปเกิดใหม่ให้เราปฏิบัติบูชาเพื่อเพื่อความสงบอันนี้ความเล่งของจิตอันนี้เางั้น เราเราบูชาท่านได้ทุกผนทุกแห่งไม่จำเป็นที่จะต้องไปบูชาที่หน้าของท่านต่าน้าท่านอย่างพระพุทธรูปนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นเพียงองค์แทนท่านคนนั้นเองเป็นเป็นสมมติที่เราเอาปั้นขึ้นมาเป็นหุ่นที่เราปั้นขึ้นมา เราสมมติว่านี่เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นก็คือจิตที่สงบนี่จิตที่สงบใครมีจิตที่สงบก็ได้พบกับพระพุทธเจ้านะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราก็คือ ต้องปฏิบัติให้มากจเจริญมักให้มากมักเป็นกุญแจที่จะพาให้เราได้ไปพบกับพระพุทธเจ้ากับพระอริยสงฆ์สาวกที่ได้จากพวกเราไปแล้วไปด้วยมกักคือศีลสมาธิปัญญาทานสินภาวนาไปด้วย สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมากรรมตสัมมาวาจาสัมมาวายามุสัมมาอาชีวะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์และพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกพระอริยสงฆ์ทั้งหลายท่านสอาที่ท่านใชเวลา ของท่านนี่ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ต้องการอะไรก็ต้องการจะสอนเราให้เราปฏิบัติมักนี้เองมักต้องเจริญให้มากเมื่อมักเจริญให้มากแล้วก็จะเห็นว่าทุกเป็นอะไรเห็นว่าทุกเกิดจากอะไรแล้วก็จะละเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้เมื่อละเหตุที่เกิดทำที่ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้นี่รอก็จะปรากฏขึ้นมา นี่เราก็คือความดับทุกข์ไม่ใช่ความดับของจิตหรือของร่างกายนีโรนี้แปลว่าความดับแต่ไม่ใช่เป็นการดับจิตหรือดับร่างกายจิตนี่ดับไม่ได้ร่างกายนี้ก็ดับไม่ได้ด้วยด้วยมรรคร่างกายมันดับเพราะว่ามันขาดมันเป็นธรรมชาติของมันหรือว่ามันขาดมันขาดธาตุสี่ที่จะทําให้มันอยู่ต่อไปได้ มันก็จะดับของมันไปเองเหมือนตะเกียงที่ไม่ได้เติมเชื้อเพลิงไม่ได้เติมน้ำมันถ้าจุดไปได้ เ, เรื่อยพอน้ำมันหมดไฟของตะเกียงมันก็จะดับไปทองคำว่านิโรดนี้แต่ว่าการดับทุกก <c oughs> ารดับทุกก็ต้องดับด้วยมกักมักก็คือสติปัญญาพิจารณาให้เห็นว่า สมุทัยคือความอยากต่างๆนี้เป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วพอเห็นมันปรากฏขึ้นมาภายในใจก็รลย ด, ดับมันเลยพออยากจะสูบบุหรี่ก็หยุดสูบอยากจะเดินสุราก็หยุดเดิมอยากจะเปิดโทรทัศน์เปิดดูหนังฟังเพลงก็หยุดมันหยุดมันหยุดมันไปเรื่อยๆแล้ว ต่อไปนี่รหมมันก็จะดับไปเองเมื่อดับแล้วก็จะสบายตอนที่อยากจะเปิดเพราะตอนนั้นมันเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วความเหงานี่มันก็เป็นความทุกข์อย่างนึต้องหาอะไรทําแก้เหงาต้องเปิดโทรทัศน์ ด, ดูหรือออกไปช้อปปิง้งโทรไปหาเพื่อนไปคุยกันแก้เหงา นี่มันกับเป็นความทุกข์ลวหนูที่ไม่รู้เพราะอะไรเพราะเวลาอยู่คนเดียวมันอยากจะอยู่ก็มันอยากจะติดต่อของคนอื่นมันก็เลยเกิดความอยากขึ้นมาอยากสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสอยากจะฟังเสียงของคนนั้นคนนี้อยากจะเห็นรูปเห็นหน้าตาคนนั้นคนนี้ขึ้นมามันก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความเหงาเกิดความว้าเวขึ้นมา อยู่คนเดียวถ้าไม่อยู่วัดก็ต้องกลับบ้านกลับไปหาคนที่อยากอยาเห็นหน้าเห็นตาด้วยจริงๆจึงจึงอยู่วัดไม่ได้นานอยู่ได้ไม่กี่วันก็เหมือนกับคนดำน้ำํำดำได้ไม่นานเดี๋ยวก็ต้องโผล่ขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่เราเราดำน้ําได้ที่ว่าร่างกายไม่ต้องหายใจ ไม่ต้องอาศัยลมหายใจก็จะดำไปได้ตลอดก็คือคนที่เขาไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสมาเป็นลมหายใจให้กับเขาเขาก็จะบวชไปได้อยู่ในอ ย, อยู่คนเดียวได้เพราะเขาไม่ต้องอาศัยลมหายใจคือรูปเสียงกลิ่นรสมาไม่มีลมหายใจไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสเขาก็อยู่ได้เพราะเขามีลมหายใจอย่างอื่นแทน ก็คือเขามีความสงบนถ้าอยู่วัดเราวก็ต้องเนี่ยต้องนั่งสมาธิให้มากพอออกจากสมาธิก็เดินจงคมต่อควบคุมจิตใจอย่าให้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสให้มัคิดทางทางเรื่องของมักคคือให้พิจารณาเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาว่ารูปเสียงกลิ่นรสนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เราคิดว่าเป็นสุขแต่ความจริงมันเป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นเหมือนลมหายใจถ้าเราต้องอาศัยลมหายใจให้อยู่ถ้าเกิดไม่มีลมขึ้นมาเราก็จะอยู่ไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ต้องอาศัยลมหายใจเราไม่มีลมเราก็อยู่ได้ลูกเสียงกีนดน็อตนี้ก็เป็นเหมือนลมหายใจของของกิเลสของใจของ องความทุกข์ต้องมีลมหายใจต้องมีรูปสิ่งกินลสมาบำรุงบำเรยอยู่เรื่อยๆถึงจะดับความทุกข์ได้ชั่วคราวทําแต่ดับไม่ได้นานแล้วเดี๋ยวก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาใหม่ไม่ได้ดับอย่างถาวรแล้วก็พาให้ไปสู่เจอไ ป, ไปเจอความทุกข์อันใหม่แทนเช่นพอไปอยู่ด้วยกันไม่นานเดี๋ยวก็ทะเลาะกัน เดี๋ยวก็มีปัญหากั น, นก็เป็นความทุกข์แบบใหม่ขึ้นมาเออยู่คนเดียวก็ทุกข์เพราะไม่มีเพื่อนพอมีเพื่อนแล้วก็มีทุกข์กับเพื่อนน ะ, ะเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวก็โกรธกันเกลียดกั น, กกนทะเลาะเบาะแว้งกันถ้ามากๆก็อาจจะถึงกับทุกข์ทำร้ายกันฆ่ากันเหมือนกันมนีเป็นปัญหาตลอดเพราะว่าเราไป อาศัยรูปเสียงกลิ่นรสเป็นเครื่องลงลงบอร์จิตใจของเราเครื่องดับทุกของเราซึ่งเป็นเหมือนน้ำน้มันที่ดับไฟที่ใช้น้ำมันดับไฟน้ำมันเวลาเราเทลงไปในกองไฟเหมือนไฟมันก็ทําท่าจะดับเพราะฉะนั้นน้ํน้ำมันมันยังไม่ร้อนมันยังไม่ลุกนะแต่พอถ้าเดียวเดียวพอน้ำมันมันเริ่มร้อนแล้วไฟทาท่าจะดับนี้กับ ครัโหมแรงขึ้นไปกว่าเดิมเนี่ยความทุกข์ที่อยู่เกิดจากความว้าเหวมันก็เป็นแบบเนี้ยมันก็เป็นความทุกข์เหมือนไฟที่กําลังติดอยู่เราก็เลยเอาน้ํามันคือลูกเสียงกลิ่นรสมาดับมันตอนที่ได้เห็นได้พบคนนั้นคนนี้ได้ดูได้ยินได้ฟังก็ดีออกดีใจมีความสุขพอใช้ระยะหนึ่งพอ พราะไอู้ปเสียงกินวอบนี้มันน่าจำเจแล้วน่าเบื่อแล้วทีนี้มันก็กลายเป็นไฟลุกขึ้นมาใหม่แรงกว่าเก่าทุกคนเดียวกับทุกสองคนยหงไงมันจะแรงกันทุกกับคนอื่นนี่ยมันถึงกับฆ่ากันได้นะถึงก็โดดตึกตายได้นะคนนี้กระโดดตึกตายฆ่าตัวตายก็เพราะทุกกับคนอื่นนแต่คนที่อยู่คนเดียวนี่ เหงาว่าเหวงไม่ค่อยจะฆ่าตัวตายเท่าไหร่แต่ก็ไม่แน่นะถ้ามันมันมันเหงามากๆ ม, มันทนอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้เรามาทำหน้าที่ดูแลรักษาใจของเราให้สงบให้ตอดสัจจกความอยากต่างตาแล้วใจของเราจะได้ไม่มีความทุกข์ ว่า ไ, ไม่มีความทุกข์แล้วอยู่ที่ไหนก็ได้จะทําทอะไรหรืไม่ทําอะไรก็ได้ไม่เป็นปัญหาเพราะมไม่มีอะไรจะต้องทําำู้สิทรรางลมมณฑอย่างเป็นกระบอกว่ากิจในในป ร, รมาจารย์นี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วไม่มีกิจอะไรที่ต้องทําต่อไปแล้ว ถ้าถ้าจะทํำก็ไม่เรียกวิจิตแล้วเรียกว่าเป็นงานอดิเลกเหมือนคนที่ทํางานจนกระทั่งเกษียณเยอะแล้วก็ไม่ต้องไปทํางา น, นแล้วถ้าอยากจะทํำก็เป็นงานอดิเลกทาไปอย่างนั้นทำก็ได้ไม่ทําก็ได้เัางี้ขอให้เราดูชา พรพุทธรธรรมพระสงค์บูชาครูบาการด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยความวิสาหะวิริยะด้วยความอดทนด้วยขันติคือให้เราเจริญสติให้มากสตินี้เป็นหัวเป็นเป็นหัวหอของของมรรคเลยเป็นเป็นตัวที่จะทำให้มรรคนี้เจริญขึ้นมาได้ ถ้าไม่มีสติแล้วทาอะไรไม่ได้คิดก็คิดคิดดีก็คิดไม่ได้ทําดีก็ทําไม่ได้ น, นั่นคือคนที่ไม่มีสติมากๆเราก็เรียกว่าคนเสียสติคนบ้าอย่างนี้ยใครก็าทำอะไรก็ทําไม่ได้เพราะไม่มีสติคอยควบคุมสั่งการให้ใจทําตามคําสั่งได้มันใจมันจะไปตามเรื่องของมันเหมือนดิ่งที่ไม่มีเชือกผูก คองคอมันไว้ก็สั่งให้มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทำนู่นทำนี่มันมันไม่ฟังเราละมันก็จะทำไม่ตามเรื่องของมันจิตที่ไม่มีสติเลยก็เป็นคนเสียสติอยากจะปสสวะที่ไหนอยากจะอุจจระที่ไหนอยากจะนอนที่ไหนอยากจะกินที่ไหนอยากจะแต่งตัวหรือไม่แต่งตัวอยากจะใส่เสื้อผ้าหรือไม่ใส่เสื้อผ้ามันก็ทำของมันเลยได้ไดตามการสบาย เพราะไม่มีสติมนาะคอยคอยยับยังคอยควบคุมบังข้อฉะนั้นถ้าเราอยากจะเจริญมากเราก็ต้องเจริญสติต้องเจริญสติอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยคอยควบคุมใจของเราให้อยู่กับการประทรมถ้าเราทำอะไรอยู่ก็ให้ใจอยู่กับงานที่เรากลังทำอยู่ ถ้ามันยังไม่อยู่ไม่ยอมอยู่เราก็ต้องใช้อย่างอื่นดึงเอาไว้ด้วยเช่นผูกไว้กับพุทธโธก็ได้ให้ทํำงานไปแล้วให้รู้ว่าเรากําลังทํา ง, งานและในขณะเดียวก็พุทธโธพุทธโธกํากับไปด้วยอย่างนี้มันก็จะไม่ไม่ไม่ไปที่อื่นได้ก็จะอยู่กับงานอยู่กับพุทธโธควบคู่กันไป เช่นเวล า, าดูลมหายใจถ้าดูเฉยๆมันไม่อยู่กับลมบางทีก็ต้องใช้พวกพุทธโธกํากับไปด้วยหายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโธหรือว่าหายใจเข้าก็ว่าพุทโธหายใจออกก็ว่าพุทโธเช่นเดียวกับเวลาเราเดินเราเดินก้าวเท้าซ้ายเราก็ว่าพุทโธก้าวเท้าขวาวก็ว่าพุทโธอย่างนี้ก็ทําได้ หรือจะไม่มใช้พุทโธก็ได้ถ้าเรารู้ว่ากําลังเดินซ้ายขวาซ้ายขวาอยู่หรือรู้ว่ากําลังหายใจเข้ากําลังหายใจออกแล้วมมไม่ไปคิดเรื่องอื่นก็ไม่ต้องใช้พุทโธก็ได้มันขึ้นอยู่กับเจริตของแต่ละคนหรือขึ้นอยู่กับระดับจิตของแต่ละคนถ้าสติมีสติมีกําลังน้อยก็าอาจจะต้องใช้สองอย่างช่วยกันเหมือนกับเชือกถ้าเชือกเส้นเดียวผูก ผูกลีงไว้ไม่อยู่มันขาดมันกระตุกขาดเราก็ต้องใช้เชือกสองเส้นมันก็จะได้มีกํำลังมากขึ้นถ้าให้รู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือให้รู้อยู่กับลมหายใจแล้วมันยังไปชิดดนั้นดังนเรื่องนี้อยู่ก็เอาพุทโธเข้ามากํากับด้วยกําลังเดิมก็พเดินตรงกรมก็พุทโธไปด้วยแล้วก็รู้ด้วยกำลังเดินก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวา แล้ก็พุทธโธพุทธโธกำลังกับไปอย่าให้ไปคิดเรื่องอะไรเลยอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนีเนน้เหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้เพราะมันไม่ได้ช่วยการเจริญมรรคของเรานั่นเองเรื่องจะสําคัญอย่างไรก็ถ้าเวลาเราปฏิบัติแนละ้วเราต้องถือว่าไม่สําคัญนะถ้ามันสําคัญเราก็อย่ามาปฏิบัติไปทำเรื่องที่สําคัญลงใจเรียบร้อยไปซะก่อน อย่าทำแบบสับสมเวลามาปฏิบัติก็ยังเอาเรื่องที่สาคัญมาแบกไว้ในใจเรื่องลูกเรื่องสามีเรื่องภรรยาเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆถ้าเราอยากจะปฏิบัติก็อย่าวอาเรื่องเราเหล่านี้เข้ามายุ่งด้วยหรือถ้าถ้าเรื่องนั้นมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำก็ให้มีสปีอยู่กับเรื่องนั้นเลยทำกับเรื่องนั้นให้มันเสร็จเจไปมี ภาระ ห, ะหน้าที่การงานอะไรที่ต้องทำเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ทำไปให้มัเสร็จทำไปด้วยสติเวลายอยู่กับงานนั้นก็อย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นบางทีพอมาอยู่กับงานก็มาคิดถึงเรื่องอยากจะไปนั่งสมาธิไปปฏิบัติธรรมอันนี้ก็ไม่ได้เรื่องมันต้องเอาเรื่องเดียวถ้าจะ เ, ราระเอาเรื่องงานเรื่องการก็อยู่กับงานกับการทาไปเลยไม่ต้องไปคิดถึงงานอย่างอื่นเอางานนี้อย่างเดียว ทำอะไรก็ได้ขอให้มันอยู่กับงานนั่นงานเดียวแล้วทําำมันเสร็จเรียบร้อยไปแล้วก็ใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูว่างานไหนควรที่จะตัดควรที่จะละงานไหนควรที่จะทําเพิ่มมากขึ้นในงานทางโลกนี่เรารู้แล้วว่าทําไปเท่าไหร่มันก็เท่านั้นแหละอย่างมากมันก็ให้เรามีกำลังามากขึ้นมีตําแหน่งสูงขึ้นแต่มันไม่ได้ทําให้ความทุกข์ของเรานลดลงไป แต่งานทาำทำเนี่ยถ้ามีสติมากขึ้นมีปัญญามากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นความทุกข์มันจะน้อยลงไปความสุขมันจะมีมากขึ้นเราก็ต้องเลือกงานแล้วงานไหนที่เราตัดได้ก็ควรจะตัดนะเพื่อจะได้เอาเวลาที่เราใช้กับงานนั้นมามาทำงานทางด้านการเจริญสติการเจริญสมาธิการเจริญปัญญาพยายาม ตัดให้ได้มากที่สุดเท่าที่มากได้แต่ในที่สุดก็จะเป็นนักหบวชได้นักบวชก็ยังต้องทํางานอย่างอื่นไ ม, ไม่ได่ได้เจริญแต่นักอย่างเดียวนักบวชก็ยังต้องบินตาบ่ายิ่งชีพยังตั้งตัดเยี่ยจีวรยังต้องซับจีวรนยังต้องปัดกว่าถือสาลาทําหน้าที่ต่างๆแต่งานเหล่านี้นั้นสามารถทําควบคู่ไปกับงานจเจริญนักได้ คือถ้าทำด้วยสติทำด้วยการมีสตินักบวชเวลาทำงานร่วมกันนี้จะไม่คุยกนะันทุกคนมีสติอยู่ขอ ง, งานของตนเป็นเหมือนกับว่าไม่รู้จักกันหรือไม่ชอบขี้หน้ากันต่างคนต่างทำงานของตนเองแต่ถ้าเป็นค า, า, ารวาแล้วก็รับรองได้พอนั่งทำงานด้วยกันแล้วเดี๋ยวคุยกันจ้ะกินข้าวก็คุยกันเจ้ะ ดูพระเวลาท่านฉันนั่งคุยเลยหรือเปล่าท่านปัดกวาดท่านคุยเลยหรือเปล่าไปดูที่วัดปฏิบัติจริงๆนี่ท่านจะไม่คุยกันไม่มองหน้ากันไม่เห็นยะเป็นจะต้องมองหน้ากันไม่ต้องทักทายกันสบายดีเลยสบายแล้วไม่สบายมันก็ทําอย่างนี้นะน่าจะถามว่ามีสติหรือเปล่าจะดีกว่าเนี่ยพยายาม พุ่งเป้าของเราไปสู่การเจริญมากถ้ายังแต่ยังมีวัตถุก็ต้องต้องสละมันไปวัตถุเท่าวของเงินทองต่างๆอย่าให้มันกลายเป็นอบ่วงที่จะทําทให้เราไม่สามารถที่ไปเจรอหนักได้ถ้ามีสมบัติข้าวของเงินทองมากเดี๋ยวก็ต้องมาคอยดูแลาจัด ก, การ ก็จะไม่สามารถที่จะไปเจริญมรณาเช่นมีบริษัทมีกิจการอย่างนี้จะทิ้งได้หรือเป่าเห็นไหมนิ้งไม่ได้มันก็จะติดอยู่กับกิจการกิจการของตนก็จะไม่ได้มีเวลาไปเจริญมรณะที่กลันั้นต้องปรับมันไปเทียรเล็กเทียรน้อยหาคนมาทําแทนเรา สอนลูกสอนหลานสอนใครก็ได้หรือขายลงไปเลยก็ได้เอาเงินมาเก็บเข้าธน า, าคารหรือหรือเอาไปทําบุญก็ได้ถ้าต้องต้องอาศัยเงินเลี้ยงปากเล้ยงท้องก็เก็บมาไว้ถ้าไม่ต้องอาศัยก็เอาไปทําบุญให้ทาหนนให้หมดแล้วก็อาศัยการบินทบาทอาศัยการเลี้ยงชีพของนักบวชแบบนักบวชไป ก็จะได้มีเวลามาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปะะัญญาเนี่ยมันอยู่ที่การรู้จักแย ก, แยกเนี้ยะลำดับความสําคัญของกิจกรรมต่างๆว่าอันไหนสําคัญมากกว่าอันไหนสําคัญน้อยกว่าสิ่งที่ไม่สําคัญสิ่งที่ไม่ได้เกิดประโยชน์กับชีวิตจิตใจก็อย่าไปทําเลย ยิ่งโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นโทษยิ่งแล้วยิ่งอย่าไปทํามันอย่าเช่นไปกินเหล้าเมายาไปเที่ยวเต๋อมันไม่เกิดประโยชน์กับชีวิตจิตใจเลยมันเกิดประโยชน์กับกิเลสตัณหาที่จะมาสร้างความทุกข์ให้กับเราเท่านั้นแหละมันไม่ได้เกิดประโยชน์กับความสงบของจิตใจหรือความเบาบางของทุกขเลยเราต้องรู้จักแยกแยะแล้วก็รู้จักตัดมัน เพื่อเราจะได้มีเวลามาทำในสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์เพื่อที่เราจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ภายในชาตินี้อย่าอย่าคิดว่าตายรปเราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทันทีกว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี้อาจจะไม่ได้มีพระพุทธศาสนาหนงหนืออยู่แล้วก็ได้ถ้าเป็นผู้โดยสารก็อย่าไปคิดว่าร รถเมย์คันนี้ยังยังไม่ใช่เป็นรถเมย์เทีย่ยวสุดท้ายยังมีรถคันอื่นมาอก็ข อ, อนั่งกินเล่าต่อพอจะมาขึ้นรถเมยทีนี้ไม่มีรถแล้วหมดแล้วต้องเดินแล้วเนี้อศาสนาพ่งก็เป็นเหมือนรถเมยที่เราสามารถเอาศัยนั่งไปสู่พระนิพพานได้ถ้าไม่มีรถเมยแล้วไม่มีทางที่จะไปถึง ยังรีบตัดรวมประโยชน์ให้ให้เสร็จให้ให้ได้เต็มที่ภายในชาตินี้เถอะมีคนทํามาแล้วมากมายตั้งแต่วันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนว่าพระาศาสนานี้ปรากฏมีผู้บรรลุมรรคผลนิพพานกันเป็น จ, จำนวนมากมีมาต่อตลอดเวลาระยะเวลาสองพันห้า้กว่าปีนี้มีไม่มีไม่ขาดสาง เราก็เป็นผู้ที่มีโอกาสที่จะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในชาตานี้ถ้าเราทาตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนคือเจริญมากให้นมากโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งสติอย่างที่ทร ง, งตัดสอนเวลาว่าผู้ใดเจริญสติตามที่พระองค์ได้ทรงสอนนี้ได้แล้วเจ็ดวันก็บรรลุได้ถ้าเจ็ดวันบรรลุไม่นานก็เจ็ดเดือน ถ้าเจ็ดเดือนเรารู้ไหมะก็เจ็ดปีท่านรับประกันนี่ยนี่ไม่ใช่เป็นคําพูดเบาๆไม่ใช่เป็นคําพูดโฆษณาเหมือนที่เราเห็นเขาโฆษณากันตามสื่อต่างๆพราวกนั้นพูดอย่างแต่ถึงเวลาจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขารับประกันเนี่ยแต่นี้พระพุทธเจ้ารับประกันอย่างนี้จริงๆ แล้วก็มีผู้มายืนยันว่าได้รับรางวัลอย่างที่ท่านได้สงตัดส่งรับประกันไวนะ้แล้วบางท่านก็ไม่ทันไม่ถึงเจ็ดวันจ็มีบางท่านก็ไม่ถึงเจ็ดเดือนบางท่านก็ไม่ถึงเจ็ดปีมีมาประกอบให้เป็นสาณนะเป็นที่พึ่งของพวกเรากันเป็นจํานวนมากหรือถ้าเกินเจ็ดปีก็ไม่เกินไม่เกินชาตินี้มาเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระสุปฏิปันโน ให้พวเราได้ยึดเป็นที่พึ่งมีจำเป็นจำนวนมากในสมัยปัจจุบันนี้ก็ตั้งแต่หลวงปู่มั่นมานี้ก็นับจำนวนครูบาอาจารย์หรือว่าก็แล้วกันมีมากน้อยเพียงไร mm hmm. ท่านหลังนี้ก็ท่านก็ทำปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเริ่อสติกันว่าสตินี้เป็นกุญแจที่จะไขเข้าไปสู่ธรรมธรรมอื่น ไม่มีสติก็ไม่มีทางจะทำสมาธิได้ไม่มีสมาธิก th ็ so ไม่มีทางจะเจริญปัญญาได้ไม่มีปัญญาก็ไม่มีทางที่จะหลุดพ้นได้มันมันเกี่ยวเนื่องกันมันอยู่ที่สตินี่เป็นตัวสำคัญที่สุดไม่มีสติก็ทำบุญให้ทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้คนเสียสตินี้ทำบุญให้ทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้อย่าไปว่า ม้แต่เรื่องการนั่งสมาธิแนละ้วเจริญปัญญาแล้นั้นยิ่งไปกันใหญ่ตัวกเรานี่พอมีสติที่จะทำบุญได้รักษาศีลได้านั่งสมาธิเนียงได้บ้างไม่ได้บ้างเจะเป็ปัญญานี้แทบจะไม่ค่อยจะเจริญกันวิมุตตินี้ก็ยังไม่ปรากฏการหลุดพ้นก็ยังไม่ปรากฏเพราะสติมีกํำลังไม่มากพอ ถ้ามีสติมีกำลังมากพอก็จะทําจิตให้สงบได้ให้อยู่ได้ให้นิ่งได้พอจิตนิ่งได้สงบได้กิเลสก็ต้องนิ่งตามพอกิเลสนิ่งตามเวลาเจริญปัญญาก็จะเห็นเป็นไปตามที่เจริญที่พิจารณาพิจารณาความตายก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาพิจารณาความเจ็บไข้ได้ปวดก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าถ้าจิตไม่นิ่งกิเลสยังเพ่นผ่านอยู่ เวลาพิจารณาความตายก็อาจจะเห็นว่าไม่เป็นเรื่องธรรมดาอาจจะอยากตายขึ้นมาสิหรืออาจจะเกิดความหดผูใจเกิดความกลัวตายขึ้นมาอันนี้เป็นผลของของกิเลส ท, ที่ยังทำงานอยู่ถ้าเป็นคนไข้เหมือนตอนเราหมอจะผ่าตัดถ้าให้ยาสงบไม่เต็มที่เดี๋ยวพอคนไข้เจ็บหน่อก็จะดิ้นได้ดิ้นนี่หมอก็ผ่าไม่ได้แะ ทำไม่ได้เพราะคนไข้ไม่นิ่งต้องให้นิ่งก่อนการทํำสมาธินี่ก็เพื่อทำให้กิเลสมันนิ่งเพราะเวลาจิตนิ่งนี้ความโลภความโกรธความหลงมันก็จะนิ่งตามพอมันนิ่งตามแล้วเราสอนจิตให้รู้เห็นความจริงของไตรลักมันก็จะเห็นตามมันจะไม่มีอารมณ์ต่อต้านหรืออารมณ์หลอกล่อให้ใจเกิด อารมณ์ขุน ม, มัวขึ้นมาแล้อย่างที่เมื่อเช้านี้เทศให้ฟังเวลาที่เราพิจารณาความตายถ้าเรามรีความรู้สึกว้าวเวลดกั ร, กรความรู้สึกขดผูกใจรู้สึกเศร้าช่อด๋อยเหงาเรือ ก, กลัวตายอย่างนี้แสดงว่าจิตเราไม่นิ่งพอยังผ่าตัดไม่ได้ยังสอนใจไม่ได้ต้องไปทํำจิตให้มันนิ่งก่อนถ้าจิตนิ่งนะเวลาพูดถึงความตายนี่มันจะนับ รู้อย่างไม่สะทกสะทานมันจะรับรู้อย่างอย่างปกติอย่างสนุกหรือถ้ามันพิจารณาแล้วเกิดความอยากจะตายขึ้นมาอย่างนี้ก็เช่นเดียวกันอันนี้ก็แสดงว่าจิตไม่นกิเลสกาลังทํางานอยู่ความอยากตายก็เป็นวิภวตัณหาแล้วเป็นภาวะตัณหาก็แล้วควาไม่อยากตายก็เป็นวิภวตัณหา คามอยากได้ก็เป็นภาวะปัญหาขนีาถ้าเกิดความรู้สยงอย่างนี้แสดงว่ากินเหลนี้ยังไม่ได้รับยาสนุดมากเท่าที่ควรถ้าเป็นหมอก็ต้องหยุดพาก่อนต้องให้ให้วิสันเี่ยวิสันีแพทย์เขาจัดการก่อนถ้านักเป็นนักปฏิบัติก็คือต้องหยุดพิจารณาก่อนทำจิตให้สงบก่อน พอจิตสงบแล้วค่อยมาพิจารณาเหมือนกับเวลาเราฟังเทศฟังธรรมนี้ถ้าเราไม่นิ่งใจเราไม่นิ่งใจเราคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ฟังธรรมก็ฟังไม่รู้เรื่อ ง, องแต่ถ้าใจเรานิ่งไม่ไปคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้ฟังธรรมนี้ก็จะเข้าใจเพราะมันสามารถติดตามพิจารณาได้อย่างต่อเนื่องถ้าดูหนังก็ดูแบบต่อเนื่อง ไม่ได้ดูห้านาทีแล้วก็ไปเข้าห้อง น, น้ำกลับมาก็ไม่รู้หนังมันไปถึงไหนแนละ้วใจของเราก็เหมือนกันชอบเข้าห้อง น, น้ำในเวลาฟังเทศ ฟ, ฟังธเดี๋ยวก็ไปเข้าห้อง น, น้ำเดี๋ยวก็ไปเปิดตู้เย็นเดียวก็ไปโทรศัพท์ไปคุยคนนั้นคนนี้แล้วมันจะฟังเรื่องได้อย่างไรเพราะมันไม่ได้ฟังอย่างต่อเ น, นี่อเพราะใจมันไม่นิ่งกิเลสมันเดินมันกิเลสมันดึงไปทําอย่าง อ, างอางื่นเสีย เอ้ในใครว่าสมาธิไม่สําคัญนี้เราไม่เชื่อไม่งั้นพระพุทเจ้าจะสอนสมาธิปัญญาศินสมาธิปัญญาได้อย่างไรก็ตัดสมาธิออกไปเลยเอาแค่สินแล้วก็ปัญญาเลยแต่มันเป็นไปไม่ได้ล้วสมาธิจะเกิดได้ก็ต่างเมื่อมีสติเด้งมันเอาไว้ต้องมีเชือกผูกมัดให้มันไม่ไม่สามารถที่จะขยับ ก็ดุก ก, ดกได้เช่นจะจับคนก็ต้องเอาจับมัดติดไว้กับเสาวเลยมันมัดทั้งร่างกายมัดทั้งมือทั้งทางมันก็จะขยับตัวไม่ได้นี่คือสติเป็นเชือกที่จะคอยดึงคอยถูกจิตไว้ไม่ให้ไปเพ่นพ่านแล้วพ อ, พอจิตไม่เป็นเพ่นพ่านพอบอกให้นิ่งมันก็จะนิ่งให้มันสงบมันก็จะสงบ มันอยู่กับลมมันก็จะอยู่กับลมให้อยู่กับพุโทโธมันก็อยู่กับพุโทโธพอมันออกจากความนิ่งนี้นะมันก็ยังนิ่งอยู่มันกิเลสยังนิ่งอยู่แล้วก็เอาจิตที่กําลังนิ่งนี้ออกมาสอนได้นะสานเรื่องใยรักใจพิจารณาเรื่องอนิจจังทุกของอนิจตาในรูปเสียงกลิ่นรสในร่างยึดอะเสียงจิตโ เวทนาในรูปเวทานาสัญญาสังขาร น, นี่เองสอนได้ทำนี้สอาแล้วมันก็จะเข้าใจเข้าใจแล้วมันก็จะล้องอ๋อที่เราทุกทั้งวันนี้ก็เพราะว่าเราไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงไม่เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเราพิจารณาแล้วต่อไปมันก็เห็นเห็นแล้วก็เห็นแล้วว่าอ๋อที่เราทุก็เพราะว่าเราไปยึดไปติดมันเองไปหลงมันเอง ถ้าเราไม่ยืดไม่ติดเราก็ไม่ทุกน์เราก็ไม่เราก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่คือการเจริญนะนี่แหละเป็นการบูชาจะบูชาครูบาอาจารย์บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ขอให้บูชาแบบนี้บูชาเื่อยการปฏิบัติบูชาไม่ใช่ไปวรวมกันแล้วก็ไปปั่นป่วนกันคนนั้นก็ ให้ทําอย่างนั้นคนนี้ก็ให้ทําอย่างนี้วุ่นวายกันไปหมดยิ่งไม่ดีดทะละบอกเล่นกันแทนที่จะไปกราบไหว้ไปทําใจให้สงบกลับไปคุนคุนไปคุนมัวกับกับความที่มีความเห็นไม่ตรงกันทะเลาะวิวาทกันทำอะไรก็ขอให้ดูความสงบนี้เป็นหลักทำอะไรต้องทำด้มยจิตใจที่สงบถึงจะเรี้ยงก็เป็นการบูชาต้องยอมแพ้ ต้องแพ้เป็นพระชนะเป็นมันถ้าใครอยากจะเจ้าชี่จัดการอยากจะอ่ะยกให้เขาไป่อนเขาไปนมุชชาด้วยความชนะเ้าจะทำแบบนั้นก็ปล่อยมาทำใแล้วก็ทาแบบของเราล้วก็ทําใจให้สมุหของเราไปก็จบแล้วเทากับเราได้นูชชาท่านแลบบ้ไม่ต้องนูชชาแบบเอาหน้าเอาตาเป็นประธานเป็นอย่างเป็นผู้จัดการเป็นผู้สั่งการ บูชาแบบปิดทองหลังพระก็ได้บูชาด้วยความสนงบเพราะถ้าไม่ต้องการอะจากเานอกจากให้เรามีความสุขให้พวกเราพ้นทุกข์พวกเราจะมีความสุขพ้นทุกข์ได้ก็ใจก็ต้องสมทุกอย่างก็ลงมาที่ตัวเนี้ยตัวที่สอ่อบอเนี่ยคือความสมุบสนุกกายสนุกาจาและสนงกใจ กายบูชาครูบาอาจารย์แบบนี้อะไรกันเนยะส่วนจะไปกราบท่านไม่กราบตอนนี้ก็ทําได้ไม่เป็นปัญหาไปได้ก็ไปไปไม่ได้ก็ไม่ต้องริตกเงงานถ้าเราทําใจของเราให้สงบถ้าเราทําความดีไม่ทํำบาปถ้าเราทานะใจของเราอยู่เรื่องนีง้ก็ถือว่าเราได้ไปกราบถ้าเราทำจิตทางกิจจันทร์ ส่วนทางร่างกายไปก็ได้ไม่ไปก็ได้บาง ท, งทีไปแล้วกัรไม่ได้ไปไปกราบท่านจริงๆก็ได้กราบแต่กราบด้วยจุิยากราบด้วยร่างกายแต่ใจนี้กลับเป็นไปด้วยข้รมโมกโมโทัศน์เราไม่เชื่อลรไปเลยจะมีหลายคู่กําลังออกฤทธิ์เอาเด็กันกมาคนนัน้นจะนี้คนนั้นจะอย่างนั้น มันมีประประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยครูบาอาจารย์ทังกงรู้ที่ผ่านมามันเป็นปัญหาเนี่ยเยลูกศริกติกันเองเห <c oughs> <c oughs> าุไหนที่ท่านพ่อรีท่านจัดงานฉลองเอก่งเก่งพุทธกาล ก็จับงานก็มีญาติโยมพี่น้องมาช่วยกันมีแม่คงแม่ครัวมาช่วยทําอาหารกันแล้วไม่ชอบเขาไปเกิดแตกคอกันไม่ยอมทําอาหารกันท่านพ่อรี <c oughs> ต้องส่งหนูลาไปเป็ไปกลเกลี่ยหนูตาต้าก็ใช้วาจาที่ตกใจลงมาแล้วพวกพวกคุณนี่กำลังจะเป็นเป็นเหมือนหมาหคุณมาช่วยงานครูบาอาจารย์แต่คุณจะมากลับมากลับกัน นุณไม่รู้ว่าถ้าคุณทำอย่างนี้ท่านท่านท่านพอรีท่านจะเอาบาตรทิ้งไวท่านนั้นท่านก็จะไปแล้วท่านพูดอนี้ถึงเยียงอนแต่าหนพระพุธการก็มีใช่มพวกเจ้าเจ้าต้องหยเปไปอยู่คนเดียวเงต้องถูกชาวบ้านเขาดับไม่ใส่บางให้ถึงจะหมดแางจื่เลยถึงจะหมดแางเพราะไม่มีข้าวกินมันก็หมดวรง ถึงต้องมายอมขอเข้ามาง <c oughs> ั้นเราต้องศึกษาเรื่องย่างนี้ไว้เป็นคติสอนใจเราเวลาที่เราไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หลันี้เราอยากทำให้มันเป็นประวัติศาสตร์สำรอนายดอบวิทยหลักการแพ้เป็นพระชนะเป็นปนางคือถ้าคุยกันเรื่องๆเขาอยากจะเอาอย่างนั้น ก็ก็ปล่อยเข้าไปไม่ต้องเปิดทะเลาะกันไม่ต้องมีจุดขี้ขุ่นวัวกันส่วนเราเราก็กราบไหว้เรื่องการภาวนาของเราอปก็ได้บูชาท่านไปด้วยการภาวนาแต่เขาเขาจะจัดงานเอาเอาเอ า, เอานิ้วเอาลิเกมาเล่นเอาดนตรีมาเล่นคอนเสิร์ตมล่นก็ปล่อยเขาทำไปบางคนบางคนคิดอย่างนั้นว่ามันต้องมีงานต้องมี อะไรใหญ่โตมันถึงจะเป็นการบูชาท่านเพื่อ น, นะไม่สมเกียรติถ้าจัดงานแล้วไม่มีเครื่องบันเทิงเครื่องอะไรต่างๆมาประกอบนี่นิสั ว, ว่ามันไม่สมเกียรติต้องมีตาวงต้องมีธนารต้องมีจุดพลุไฟต้องมีอะไรต่างๆนั่นก็เป็นความเห็นของทางโลกเขาเขาถูกสอนมาอย่างนั้น ลดนิยมของเขาเป็นอย่างนั้นถึงยาสมเกียรติแต่อารถถมณ์ของของธรรมนี่มันเอาที่ความเรียบง่ายความสงบและไม่สร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่ผู้อื่นบางทีจัดงานใาทีนชาวบ้านเขาบวนเลนี่ยเกิดเครื่อนกระจายเสียงมันดังลั่นทั่วทั่วหมู่บ้านเนี่ยคนก็จะสบ งานบวดแต่ละงานลงทีนี่เปิดเปิดเสียงเปิดเครื่องขยายเสียงกันคนชาวบ้านคนอื่นเขานี่มันหลับนอนกันไม่ได้คิดว่าเป็นงานบุญอะารคนหนึ่งท่านก็บุญด้วยไม่รู้ว่าบุญจริงๆอยู่ตรงไหนบุญก็อยู่ความสงบอยู่ความสุขใจนี่ย จะสุขใจได้ก็ต้องสงบใจก็ต้องสงบป็งไงใครอยากจะแสดงความเห็นไม่อยากจะพูดอยาถามอะไรไหมผมเคยไปงานหุบูุคคลตันนะฮะจัดเรียบง่ายมากแล้วก็ไม่มีอะไรเลยผู้คนที่ไปก็สงบหมด แค่แต่จะวางเพลิงก็สมบทุกคนสมบไม่มีใครเป็นเจ้ายหญ่ระดับควรที่ตายนี่ถือว่าเสมอกเหมือนออืสมัยนั้นครูบาอาจารย์ระดับสูงโอ๋โสมมากๆเป็นแม่งานเลยนะครับต้องจะถุยถักทําอ่ะก็ทุกคนก็จะทั้งจะเอาพระเอาธรรมนําหน้าฉะนั้นก็เลยไม่มีการถกเถียงไม่มีการอะไรทั้งสิ้นเรียบง่ายสงบ ท่านก็เคยปรารบอย่างนี้นมาท่านไม่ตกเรื่องงานสพของท่านเหมนกันนะมันจะไม่เรียกงานไม่มีทางแล้วจมเพราะจะไม่มีใครมาปาลได้ไม่มีใครที่ก่อนนั้นท่านก็คิดว่าจะฝากไว้กับท่านอาจารย์สิงทองเพราท่านอาจารย์สิงทองอ่อนกัท่านแล้วท่านอาจารย์สิงทองนั่นก็เป็นแบบสิงเนี่ยสิงจริงๆอท่านก็มาเสียก่อนท่าน คนน้องปุรีท่านก็เป็นคนเงียบๆท่านก็ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอะไรท่าหร่ก็ท่านก็คงจะเห็นท่านก็ปลารบปลวิตกกลัวเดี๋ยวยาวศบท่านมาเผาที่สนามหลวงท่านชนะเล้รูปบุญน้วะมาถึงว่าไปแต่ไมไป700ไม่ได้ม่ได้ดูการอานรเล่ คือแล้วแต่ว่าเราบุญของเราอยู่ตรงไหนบุญมันมีหลายระดับเหมือนถ้ามันยังอยู่ที่การไปอยู่มันก็ต้องไปมันถึงจะได้บุญแต่ถ้าบุญมันอยู่ที่การอยู่ที่ใจแล้วมันก็ไม่ต้องไปก็ได้ถ้าเราไม่ไปแล้วเรามีความรู้สึกไม่สบายใจนี่มันก็ไม่เป็นบุญใช่ไหมเราก็ต้องไป แต่ถ้าเราไม่ไปแล้วเราไม่รู้สึกอะไรเราไม่ไปก็ได้บางทีเราคิดว่าถ้าเิดเราไปแล้วเราไปเห็นสิ่งที่เราคิดว่าไม่ใช่ปฏิปิธาภูบาจนะนะแล้วมันก็ขัดอยู่ในใจมันก็มันที่ขุ่นโมขึ้นมาก็คงไม่ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ แตถ้าก็ดเรอยู่บ้านฟังธรรมหนงตาเปิดซีดีฟังอืภาวนาไปผมคิดว่าน่าจะได้ไประโยชน์มาถ้าผมก็ไปนะฝากเงินไปก็ได้อยากจะทำบุญก็ฝากเงินไปส่งเงินไปก็ได้<ต>ที่ไ<ต>ปนี่ความจริงมีมีมีมมมต่อไม้อยู่สองส่วนไม่ต่งส่วนหนึ่งก็คือมีงานต้องทำก็คืองานชาป น, าานกิจแต่ว่าถ้าไม่มีใครทำเลยเราก็ต้องไปแต่ว่า ม, มีใครเผาศพท่านเลยเนี้ยเราก็ไป แต่ถ้ามีคนเป็นหมืน่นเป็นแสนไปเผาแล้วเราจะไปแล้วไม่ไปมันก็งานนี้มันก็สําเร็จอย่างดีใช่ไหมออันนี้คืองานหนึ่งงานที่สองที่ไปงานสอนี้ก็เพื่อที่ไปตรงไปเจริญบารมีอนุสติไปแล้วให้ไปเราต้กถึงว่าท่านกับเราก็เหมือนกันเราไปเราก็ต้องเป็นเหมือนท่านแล้วเราเอ า, อาความาสัญญานี้มาเจริญอยู่ด้เรื่อยๆในใจนของเรา อันนี้มันก็จะได้ไประโยชน์เพราะน้านจะมีคนตายสักครั้งหนึ่งใช่หไหมแล้วเราได้ไปเห็นคนตายต่อหน้าเราไปเผางานศพท่านแล้วก็จะเห็นว่าอ๋อนี่แหลคนเราทุกคนน่าต้องเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นถ้าเราไปแบบนี้เราก็จะได้ได้ไประโยชน์หนึ่งไปช่วยเผางานไปเผาศพท่านสองไปเจริญเวรานุสต แต่บางทีสมัยนี้บางทีไปแล้วไมัไเห็นศพก็มีศพาะเก็บไว้ในหลองเรียบร้อยนะไปก็ไม่เคยเ จ, นนจริญมรณานุสติกันเลยไปถึงก็ไปทักถ่ายกับเพื่อนฝูงที่ไปงานนังนเลยกันกลายเป็นงานสังคมถามเปน็นไงลูกเป็นไงมากสามีเป็นไงมากไปอย่างนั้นกันไปยังไม่ได้บุญนะ แล้วก็ส่วนที่สามก็คือไปทําบุญไปถวายเงินไปช่วยค่าใช้จ่ายหรือว่าไปร่วมถ้าท่านตั้งกองทุนไว้ว่าจะให้คนที่ยา เ, าเงินมาทําบุญนี้ไปทําอะไรก็ไปร่วมทําบุญกันเนี่ยมันก็ได้ได้ น, นี่ถ้าสมมติมีคนเป็นแสนไปนช่วยเผาแล้วเราไม่ปายกันได้ปังกันได้ เรื่องโมนีสติถ้าเราเจริญอยู่ตลอดเวลาไปแล้วเราไปก็นด้ไปก็ไม่ไปก็เหมือนกับไม่ได้ไปไม่ไปก็เหมือนกับไปเพราะเราก็เจริญอยู่แล้วตลอดเวลาควรทานถ้าเราไม่ไปเราก็ฝากเข้าไปก็ได้ส่งินไปก็ได้มันก็ได้เหมือนกันถ้าจะไปเพื่อบุญมันก็ต้องมันก็ทําแบบนี้ก็ได้ได้สองรูปแบบ นั่นขอให้ใช้เหตุการณ์นี้เป็นเป็นนิมิตที่จะคอยให้เราจเจริญวานานาลตสตินี้เยนะขอให้เราคิดว่าความตายนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีใครหลีกห ล, ล, ลีกเลี่ยงได้ไม่ว่าเขาไม่ว่าเราเราถ้าถ้าเรายังอยู่เรายังต้องมีกิจที่ต้องทำก็อย่าประมาทนอนใจให้เราวี่ขขนขายทางกิจที่ เราควรจะทำควรต้องทำจะดีกว่าทำให้มันเสร็จเสียเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้สบายเพราะโอกาสที่จะได้มีมีอย่างนี้เหมันจะไม่บ่อยได้ามาเกิดเป็นมนุษย์ได้าามาพบกับพระพุทธศาสนาได้ใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์คำสอนของพระพุทธเจ้าอย่า อย่าเป็นแบบทักทีในหม้อกแกงใกล้ชิดแบบนั้นไม่ดีการชิดแบบทัก พ, พีกับแกงนี่มันไม่ได้รับประโยชนมันไม่รู้ว่าเป็นแกงอะไรแกงเผ็ดแกงจืดแกงหวานมันไม่รู้ให้มันใกล้ชิดแบบลิ้นกับแกงแม้แต่แกงเพียงหยดเดียวสัมผสัสกับลิ้นก็จะรู้รสทันทีธรรมะกับใจก็อขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้ใจสัมผสัสกับธรรมแบบมีความรู้สึก รู้สึกผิดถูกมีเชื่อรู้สึก ร, รู้สึกคุณรู้สึกโทษรู้สึกมักรู้สึกสมุทไทยว่าเป็นอารมณ์พอรู้ว่าเป็นสมุทไทยก็จะได้บ้วนมันออกไปคลายมันออกไปถ้าเป็นมักก็เกลื่อนมันเข้าไปเกลือนมันเข้าไปเล้นกับแกงก็เป็นถ้าไปเจอแกงเผ็ดก็บ้วนทิ้งเลยกินไม่ได้ถ้าไปเจอแกงหวานก็เกลื่อนเข้าไปเลย ต้องเป็นอย่างนั้นให้ให้เรามีสติปัญญาพอที่จะแยมกมรรคออกจากสมุทัยให้ได้ให้รู้ว่าสมุทัยเป็นอะไรกำลังเกิดขึ้นมาในใจของเราหรือไม่ให้รู้ว่ามรรคกำลังเกิดในใจของเราอยู่หรือไม่เรามีสติอยู่หรือไม่เรามีสมาธิอยู่หรือไม่เรามีมรณาวิสติเรามีใจลัางอยู่ในใจของเราอยู่หรือไม่ เห็นอะไรเห็นเป็นตายรักหรือเปล่าแล้วยังเห็นตรงข้ามตรงกันข้ามกันแทนที่จะเห็นว่าเที่ยงเห็นว่าไม่เที่ยงกับเห็นว่าเที่ยงแทนที่เห็นว่าเห็นว่าทุกข์กับเห็นว่าสุขแทนที่จะเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราของเรากับเรเห็นว่าเป็นตัวเราของเราถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าเรายังมืดบอกเรายังไม่มีนักเราก็ต้องพยายามเจริญนักให้มาพิจารณาความไม่เที่ยงให้า พิจารณาใจรักเห็นมากพิจารณาความทุกข์พิจารณาอนัตตาเห้มากแล้วมันจะดับสมุทยัยคือความอยากต่างได้ระดับมันได้ละมันได้นี่รูธก็คือความสงบความความดับทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมา แต่วันนี้เป็นค้า้งแากที่สาระนั่งได้อย่างสบายไัย่งนั่งเยียบ ทำอะไรก็มีอะไรจะเผื่อเร่องการใส่เนี่ยจะไม่ได้เป็นการไปแสดงกับตเเวที่ตาดกนหงค่ะใเวลาเราไปงานสพของคุณบาอาจารย์อะไรเี่ยู่ที่เขาเรก็ใช่ก็เป็นการแสดงบางต้น ปฏิบัติธรอยู่คาถาวิธีที่ตามว่าแต่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เป็นวิธีเดียวที่จะที่เป็นการแสดงการทําความดีก็เป็นการแสดงความกตัญญูนทีนี้เพราะในทางโลกแบบถ้าเขาไม่ได้ไปคนเขาก็มองเราว่าเราทำไมเราถึงไม่ไปเราไม่มีน้าใจยังเป็นภาวาใจเรายังอ่อนไหวกับความคิดของเขาอยู่ถ้าเราไม่ไปอ่อนไหวกับเขาเขาจะคิดยังไกับเรื่องของเขา เราไปห้ามเขาไม่ได้แถ้าเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าทุกอย่างมันก็ไม่เป็นปัญหาเลยใจเย็นทีเรายังไม่แน่ใจในตัวเราว่าเรเป็นอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าเพราะว่าเคยเคยเราคนก็ถามว่าทำไมถึงไม่ไปอะไรอย่างนั้นคเคยเคยถูกถามก็บอกว่าทํำทําที่บ้างก็ได้กราบท่านที่บานก็ได้ ี <c oughs> บอกเรื่องนี้ว่าถ้าไม่มีใครไปเราก็จะไปทำเองแต่ถ้ามีคนทํากันเยอะแล้วเราก็ไหวว่าทำขึ้นไปแทนเราเราทําอย่างอื่นก็ได้ทำแทนท่านก็ได้เป็นงานสร้างโรงพยาบาลท่านไม่เสร็จเราก็ไปช่วยช่วยทำโรงพยาบาลให้เสร็จก็ได <c oughs> ้แต่คร้งนี้หนู <c oughs> ไปโรงพยาบาลอยู่ <c oughs> อาาการมันมีการทําได้หลายวิธีอ่ะ แต่เราก็เราก็มาตั้งสอนญาติโยมต่อแทนท่านก็ได้มันก็ทํางานต่อได้มันก็เป็นการบูชาคุณท่านได้เหมือนกันใช่ไหมถ้าเราไปวันนี้พวกญาติโยมก็ไม่ได้ฟังธรรมันเพรนั้อาจารย์ตสอนท่านไปเพราะเราเไม่ได้ไปทํายมกับท่าไม่ได้ไปฟังธรท่าน เพราะวันนี้ายการี่เรากำไก่ย้อางนี้อยางสุดันเลยนะพี่จันรสชาติโบราณนี่อยากลู้ค่าว่าให้แกปัญหาแบบคือ ที่จะนณาดูว่าถ้าแก้ได้ก็แก้ไปแต่วิธีแก้ต้องไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายถ้าแก้ไม่ได้ก็ผ่อนวางอะไรจะเกิดก็ใ้มันเกิดก็ก็วางนะคะแล้วก็ทำจิตให้สงบทําใจให้สงบพุทโธพุทโธไปทำใจถ้าแก้ได้ก็แก้แต่ต้องแก้แบบไม่ผิดกฎระเบียบไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรม แก้แล้วไม่เกิดโทษถ้าแก้ไม่ได้ก็ปรงนะยอมรับอาไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเถอะเป็นกรรมของเราที่ต้องอยู่กับมันหรือต้องอยู่กับเหตุการณ์นั้นไปก็อยู่กับมันไปก่อนก็ตรงนั้นก็ถึงจุดนี้ฮะก็ผ่านมาตรงนั้นก็ฟังของพระอาจารย์นะข้าพเาท่ัอาจารย์ก็เปิดฟังว่าแก้ที่น้องใจเป็นแก้ที่ใจจะหักนะเอากรรใจให้เราสงบให้ปล่อยวางให้ได้ อยากไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้น<ม>เป็นอย่างนี้ถ้าอยากเราแก้ได้ทําได้ตามความอยากก็ทําไปอต่ถ้าอยากเราแก้ไม่ได้ทำไม่ได้ก็ต้องทําใจตามบอกเลยด้วยนะขอขอบคุณนทะ่านอาจารย์ทนะีนะ่พาพวกลูกเกิดการอุกดาธิษฐาน ฝากมาถวายให้ถ้าเราไปที่วัดเราก็จะไปเห็นร่างกายท่านแต่ถ้าเราเข้าสู่การสงบก็จะเห็นองค์ที่แค่หน้าจิตเข้าเห็นองค์นะคือพลังไม่แน่ใจเอ้เข้าไปเห็นตาหรือเปล่าแต่เขานั่งไปสัก องท่านก็คยควาสมสงบนั่นองคท่านสงบอยู่ตลอดเวลาลแม่ลูกเข้าใจว่าคือหน้าหรือตาหรือว่าอะไรตาม า, อ, า <c oughs> อ่นนั่นไม่ใช่องท่านอันนั้นเป็นเป็นเป็ น, ป น, ปนอุป ท, ท, ทานของความสุขใจ คือองค์ก้วามสงบอะไรอย่าเี้ยพระพุทธเจ้ากิดามต่อะไรนี่นานยอคือความสงบนี่ตามว่านิพลนิพานังปรมังสุดขังนิพานังปรามังสุดอย่างก็แป่ตัวนี้ตัวว่างตัวสงบนี่ยเพราะงันท่านอยากพูดเข้าถึงอะไรก็คือพบความสงบก็คพบธ่านนั่เนี่ยผู้ใดเห็นธรรมผู้นันเห็นเราผู้ใดเห็นความสงบผู้นั้นก็เห็นพระพุทธเจ้า ผู้ที่เห็นความสงบก็คือพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชติอย่างนั้นน้องอ๋อแล้วเหอถึงน้องออเขาน้องสาหนบอกว่าเขาเห็นก่อนนี่ข้าจางเนี่ยแสดยว่ามีดวงตาเห็นธรรมนะ แ ต, แต่จะแต่งดวงหรมายังไม่ดูอย่าเริ่มมีแสงสว่างข้อข า, าวขึ้นสีก็พยายามทำให้มันสว่างขึ้นมากยิ่งสมบเท่าไหร่ก็ยิ่งชัดขึ้นยิ่งชัดขึ้น จัเดือนนั่งกับอยู่ตรงนี้มันมันเรวมันดีค่ะแต่สนัเองกมันก็บเดียวเขาหมือนเข้าใจกันแล้วทีเาจะกินเราเน่าไม่ใช่ิบหรกทีแล้วก็มาณคือเดือโที่กินสิบชั่วงค่ะชั่วโมงแล้วน่าแต่รัฐมนตรจ่ายแต่ต้องทำแบบที่ไม่ไม่บอกให้ร่วงงาก ไม่หรอกเหตุการณ์มันมันมันเหมาะครับอย่างนี้ก็ต้องทำแต่ถ้ามันไม่มีเหตุการณ์มันเหมาะก็ไม่ทําไปก็ไม่มันก็ไม่ไม่กิดสถานการณ์หนาทีนะเหมืนหมอให้ยาหมอต้องรู้ว่าควรจะให้ยาแบบไหนเวลาได้หรอก วันนี้รูึกว่าควรจะให้ความสงบมากๆก็เลยตอนนี้ลูกเราโชคดีมากก็มาหาหมอเนี่ยท่านท่านอาจารย์ครับประกาศขอพระคุณมากนะคะสําหรับคําสอนของท่านอาจารย์ที่สองภาคเทศของท่านพระอาจารย์ทุกวันแล้วก็น้องสาวเขาเกษียต้องเออยไทยไปเที่ยวที่เดิมอืก็จะไปเที่ยวอังกฤษก็บอกว่าเข้าไม่ได้ไม่มีวีซ่า ก็กลับมาที่บ้านมานั่งฟังพระธรรมของพระอาจารย์นี่แหละค่ะก็ต้องแต่งงานเขาก็ติดความสนุกความงานกันเที่ยวภายในใจเราดูค่ะสนุกกว่าเยอะไม่เหนื่อยด้วยไม่วุ่นวายก็เราไม่ได้ไปเที่ยวไหนมาตั้งสามสิบปีแล้วเนี่ยตั้งแต่บวชมานี้เราไม่ไปเที่ยวไหนอยู่แต่แในวัดมาตลอดอยู่วัดไหนก็อยู่เมันตรงนั้นน่ยไม่ไปไหนอก้ ขรอบครัวน้องสาวก็ไปเที่ยวที่เดนมาร์กเรื่องหนึ่งเรโทรคุยเแต่หลังจากน้องสาวกลับมาแล้วโทรคุยหรืว่าไปแล้วตกลงปรากฏว่าพี่ตุ้มไม่นั่งฟัง ยไม่ได้ฟังไหไปไหนไปไหนฝากก็ให้ฟังที่เมืองใจยก็ไม่พร้อมไปฟังที่นู่นก็เลยฝากค้นมาทำด้วยก็เหมือนบอกให้นั่งสมาธิที่บ้านก็ไม่นั่งกันเม่นั่งตรงนี้เนี่ยให้ทาเป็นตัวอย่างเนี่ยทีนี้กล่าวก่าวไปทาให้มากเนี่ยอยายามทำให้มากอย่าไปเห็นว่าสมาธิไม่สำคัญนะเราจะถูกหลอกเ้วย เราตอนต้นก็เหมือนกันเราศึกษาธรรมะมาต้องเยอะก็ยังไม่เคยนั่งสักทีอยู่ๆวันหนึ่งก็ถามตัวเองว่าเอ้เรายังไม่เคยนั่งสมาธิเลยเราอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องกายปฏิบัติการ น, นั่งสมาธิการเจริญปัญญาแต่ไม่เคยนั่งสมาธิสักทีก็เลยเอาเลยนั่งมาตั้งแต่มานั้นเนีลยพอนั่งแล้วมันเก็ถึงขั้นสงบแล้วที่มันติดใจแต่ไม่ได้หมายความว่าให้นั่งอย่างเดียว ไม่ให้ทําสมาธิอย่างเดียวแต่สมาธินี่มันมีส่วนเป็นส่วนสำคัญเท่าๆกับปัญญาแนละ้วที่เราจะต้องผลักปลักกันเจริญเอาจากสมาธิแล้วเราก็มามาเจริญปัญญาฟังธรรมไปก็ได้ก็เป็นการเจริญถ้าเราไม่มีปัญญาแล้วก็ฟังธรรมไปก่อนก็ได้หรือถ้าเราพิจารณาตายลักเป็นเราก็พิจารณาตายลักไปรเรื่อยๆจนกว่า กิเลสมันเริ่มมารบกวนเราก็หยุดแล้วเราก็กลับมาทําสมาธิมาทําสลับกันไปนอย่างนี้แล้วจิตก็จะมีความสงบอยู่เรื่อยๆมีความเข้า อ, อกเข้าใจรู้จักว่าทุกข์เกิดจากอะไรรู้จักวิธีดับทุกข์ได้อย่างไรมันอยู่ในใจเราทั้งหมดนี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนมันก็ ก็ขอให้ทําอย่างที่เราได้ทํากันไปนิดหนึ่งอย่าง น, นั่งสมาธิต้องถือว่าตอบเป็นนี้ต้องนั่งสมาธิทุกวันแล้วแล้วก็นั่งให้มากเช้าเช้าควรจะนั่งได้เย็นก็วรจะนั่งได้ถ้าส่วนกลางวันถ้ามีเวลาหรือว่างอยู่ตรงไหนก็นั่งกันบ้างพักิ่นบ้นนางแล้วเราจะมีกําลังที่จ ะ, ะเฉลเผชิญกับปัญหาต่างๆเราจะมีปัญญาที่จะกดเบื้องเอ ความทุกข์หรือการที่เราต้องไปแบกบ ค, ความทุกข์ต่างๆได้ความทุกข์นี้เราไปแบบมันเองเราปัญหาต่างๆเราไปแบบมันเองเราไม่ปล่อยมันถ้าเรามีปัญญาเราก็จะปล่อยอะไรที่ทำได้ก็ทําไปเวลาที่แก้ได้ก็แก้ไปอะไรที่ทําไม่ได้แก้ไม่ได้ก็กล้าอย่าเป็นไป มันจะไปก็ให้มันไปมันจะเสียก็ให้มันเสียไปไม่เป็นไรเรามาเราก็ไม่ได้มีอะไรติดตัวเรามาเวลาเราไปเราก็ไม่ได้อะไรติดตัวหรอกนอกจากธรรมะหรือกิเลสแต่นั้นที่เราเอาติดตัวเป็นกับเราฉะนันเราปยายามมาเอากิเลสออกจากใจเราแล้วก็เอาธรรมะสังจเพื่อเราเวลาไปเราจะได้เอาแต่ธรรมะไป ท้าเรีกว่าทำวนเนี่ยก็เรืก่การเจริญมากนนเนี่ยเข้าใจนะเป็นไงผอนหรืยรังวันนี้ควรใจเวลาเวลาให้ผ่อน อ, อยากาวาวาหับปุราริปุเรนติสาคราน เอวเมวะอิโตทินางเปตาหนังอุปการปฏิยิชิตังปฏิตังตุมหังกิดเปเมวะสมิจฌตุสัพเพปุเรนตุสังกะปะจันโทปนะระโสยท้ามณิโจติระโสยท้าสัพพิติโยวิวัชฌตุสัพพโรโควินาศตุ มาเตพาวะวันตารโยสุขีทีคาวิโกภวะอภวาธนศีลิสะนิจจังนุทาปจาวิโนจตารโอธมวทาติอายุวันโสุขังทาลังสาธ มีวันนี้คนน้อยกลับเดเนี่ยเพราะมันสงบเดยนั่งก็สบายไม่เบียดกนันพอพวกเราชอบกระทึกครุ่มงานไหนใหญ่ไม่เสียงต้องมาที้นี่สักชาติ <c oughs> มันเล้าใจดีาาบสย ถ้าสบายก่อนท่านไปแล้ว<ะ>แต่ตอนนี้ท่านสบายมากกว่าก็คือไม่ต้องมา<ะ>มนองแบกไอ้ร่างกายอันนี้ท่านเปร็จที่แล้วทีวทนี้หมายว่าเวลาเราทำดุเนี่ยนะคะเราควรจะเน้นไปที่ส่วนส่ที่มีก้ อุทิก็ได้อุทไม่อุทิก็ได้แต่ท่านไม่ไม่มเหมือนกับขอทานส่งเงินไปให้เศรษฐีมาาเศรษฐีอ่าใไหอะไราไม่ได้จว่าจเป็นต้องได้อุทิเพราะว่าเราเคารพท่านเรารักท่านเราแสดงความกตัญญูกับเศรษีได้ท่านทาบันก็จะอนุโมทนาได้อุทิศได้ไม่เล็นไแต่ไม่ได้ไม่ได้เพื่อจะให้ท่านได้รับเงินของเราแต่เป็นการแสดงเจตนาความเคารพเคาร ความสำนึกในบุญคุณของท่านเราทำได้แต่หมายถึงว่าเวลาเราอยากเงื่อนงอมดีข้นเราบอกว่าถวายบูชาท่านใช่ไหมครับทิศสนก็ขออทิ ศ, ศส่วนบูชาเพื่อเป็ น, เ ป, นเป็นอาจารย์บูชาไปขอสำนึกขอสำนึกในกุณที่ท่านได้อบรมธรรมสอนมาก แต่ไม่ได้หวังเพื่อให้ท่านมาอาศัยบุญของเราทาได้จะได้วามกระตันยูกับตะเวทีได้ปิดทางหลังพระได้ไม่ต้องปิดทางหน้าพระก็ได้จ้าเน ในการเจ้าะอย่างเวลาที่เราจเจริญสติในชีวิตประจาวันอย่างนี้ค่ะสมมติเราเห็นเนี่ยเราคือเราแค่เห็นใช่ไหมคะ<ม>ถ้าเกิดว่ามันถ้าเราจมอยู่ในเห็นปุ๊บเนี่ยมันจะมันก็จ ะ, มจะไม่ไปอดีตมันก็ไปอนาคตถูกไหมเจ้าค่ะแล้วอย่าไปจุ้งแต่เราเห็นแล้วก็สัตว์จะว่าเห็นแล้วก็กลับมาที่ที่ตั ว, ตวรเราความจริงเราไม่ไ ม, ไม่ควรส่งส่งกายเราออกไปทางตาหูจมูนเรื่องการ ควจะตั้งรับไว้มากกว่าเย่าจะทําอะไรเดินอะไรก็อย่าไปดูซ้ายดูนู่นดูนี่ให้เห็นกับเฉพาะทางเดินที่เรากําลังเดินเดิน ว, ว่ามีอะไรขวางข้างหน้าเราหรื อ, ปอเปล่าตรงนั้นกคุณอย่าไปเดินแล้วเอ่ยแล้วยดูแล้วก็อันนั้นก็สวยอันนี้ก็งามอันนังก็ดีอันนี้ก็ไม่ดีอันนี้ไม่ใช่เป็นการเดินแบบมีสติสมมุติว่าได้ยินใช่หมคะได้ยินครับว่ารั่วมันมาแล้วก็ไป มันผ่านไปแล้วเราเสียงมาบานมันก็หายไปแล้วแต่ถ้าเราไปเอากลับมามันก็เป็นการปรุงแต่งของเราเราไปแสดงว่าใจเราไปอดีตแล้เช่นเขาว่าเรานี่เราก็ไปคิดถึงว่าทำไมเขาต้องว่าเราอย่างนี้อย่างนี้วิพากษ์วิจายณ์แต่นี่แสดงว่าเราไม่ได้อยู่ในปัจจุบันเราไปที่อดีตอันนี้บางทีสัญญาณเนี่เยเวลาขึ้นมาเองใช่ไหมเจ้าคะก็หมายความว่าให้เรารู้ตัวแล้วก็ออกมาเลยเลยก็ ถ้าเราถ้าเราถ้าเรามีอะไรเกอะอยู่แล้วก็กาะอยู่กับสม่งนั้สิถ้าเรามีพูโทโธก็อยู่กับพุโทโธไปอย่าไปอยู่กับเสียงอยู่กับรูปกูมันมาแล้วให้รู้ว่ามันมาแล้วมันไปก็พอแต่เราจะอยู่กับพูโทโธเป็นหลักอย่างช่วงที่เรายังไม่ได้ภาวนาหรือไม่ได้เดินจงกรมเราใช้ชีวิตประจำวันอยู่ทำนุ่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ย ม, มันก็จะต้องมีช่วงว่างถูมเจ้าคะ บอกว่าจากการทําเนี่ยซึ่งมันอาจจะแวบได้แบบนี้ตรงนั้<ช>นก็เ <มา S 2> ลืกลับมาเลืนกลับมาเลื่อนกลับมามาพูดถัวก็ได้หรือมาสิ่งที่ที่เรากำลังที่เรากำลังทำอยู่ก็ไดม้มาหาร่างกายเราบอกการมาอยู่ที่นี่อยากไปที่ตรงนั้นนะแล้วตอนที่บอกว่าพระพุทธองค์บอกว่าให้พิจรารณาควฟังายทุกลมหายใจเข้าออกณขณะที่เราทํานู่นทํานี่หรืออะไรอย่างนี้การพิจารณาตรงา น, านั้นเป็นยังไงเจ้า ก็ถ้าในช่วงที่เราทำแล้วเราไม่ต้องคิดเราก็พิจารณาการตายได้อยู่แต่ถ้าเราต้องคิดเราก็หยุดการพิจารณาการเจริญมานัสสติไว้ชั่วคราวแล้วก็คิดในเรื่องที่เราต้องคิดเมื่อเราคิดเสร็จได้เราก็กลับมาเจริญมานัสติต่อแต่การเจริญมานัสสตินี้จะเหมาะกับการที่ที่เราไม่ในขณะที่เราไม่ต้องทำงานที่เราเดินจงกรมเลย เพื่อทํากิจกรรมแบบที่ว่าไม่ต้องใช้ความคิดมาก้านมินธบานี้แล้วก็พิจารณานอนนั่งสติแล้วที่ที่ท่านอาจารย์บอกว่าถ้าเราจเจริญสติเอในขณะที่ทําอะไรหรือว่าในชีวิตประจำวันด้วยตัวนี้เนี่ยจะไปเสริมตอนที่เรานั่งสมาธิชาาาใช่ไหมเจ้าคะใช่ว่าจะดิงใจไว้ไม่ให้ลอยไปลอยมาพอเวลานั่งนั้วเราดูลมมันก็จะอยู่กับลมมันไม่ไปไปไปไ ป, ไปอดีตไปอนาคต แต่ถ้าเราไม่เคยดึงมันไว้มันชอบไปอดีตอนาคตเวลามันนั่งสมาธิจะให้มันอยู่กับลมมันก็ไม่อยู่กับลมมันก็จะไปอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ตามที่มันเคยอยู่เพราะน้นถ้าให้มันอยู่กับเรื่องเดียวเมื่อเราทำงานก็ให้อยู่กับเรื่องงานที่เราทำพอเวลาเรานั่งสมาธิดูลมก็ให้มันอยู่มันก็จะอยู่กับลมอย่างเดียวเพราะมันถูกฝึกให้อยู่กับงานเดียว ไม่ให้ลอยไปลอยมากับเรื่องอื่นถ้ามันลอยไปลอยมาในขณะที่เราทํางานเราก็ใช้พุทโธหนึ่งกลับมาก็ได้วรือใช้มอยงานนสติก็ได้ตายตายตายตายตายพอคําว่าตายคําเดียวก็รู้แล้วว่าออกถ้าไม่ชอพุทโธก็ใช้ตายตายตายก็ได้อานิจังอานิจังก็ได้ ที่ที่พระอาจารย์เทศเมื่อสักครู่นะคะที่บอกว่าเจบวันเจ็เดือนอันนี้หมายถึงเจริญสติใช่มคุณตเะอบรมตหมาย<ะ>ถึงว่าจะวย์รู้ว่าผลที่ผ่านขั้นใดขั้นห น, น, นึ <S S <อ>่งถ้าไม่ขั้นก็อารหันต์ก็ขั้นต้านข่าวมีอแสดงก็คือจเจริญสติขั้ในใดด้วยการจเจริญตามที่ทรงสอนในสติปัฏฐานสี<อ>ซึ่งไม่ใช่ถ้าไม่ใช่แต่เจริญสติอย่างเดียว <rép. S 2> จเจริญสตินั่นเป็นส่วนหนึ่งราะเนั้นแล้ก็ต้องทํำสมาธิทําอาน า, าปนานสติ หรือทํางกิจกมพุทธเถเพื่อให้จิตสงบแล้วก็ต้องมาพิจารณาร่างกายสามสิทอาการสามเช้พิจารณาเกิดเกิดเกิไตายพิจารณาสุภะอะไพุ่งนี้ถึงจะถึงจะบรรลุได้ได้ได้ได้บรรลุอริยมรรคผลได้อริยขั้นไหนก็ขึ้นอยู่กับความขยันความฉลาดความรวดเร็วของใจเราถ้าขยันมากแล้วฉลาดหน้ามันก็จะไปเลย ยังเป็นเหมือนเป็นเหมือนเรียนหนังสือในห้องเลย น, นี่คือการบ้านของเราการมอบ ก, การบ้านให้เรามาทําำถ้่เราทํอย่านี้ได้เราต้องได้ผลอย่างแน่นอนจะต้องเรียนจบชั้นไม่ต้องเรียนซ้ําชั้นก็พระพุทธเจ้ารับประกันรเรารับรองต่อก็ได้เราเราว่าไม่ไม่ไม่ไม ไม่ไม่เป็นโฆษณาชวนเชื่อของจริงของแท้นี่ยขอให้เราจริงแท้เหมือนกับของจริงที่ท่านสอนเราเท่านั้นสัวนใหญ่พวกเรามันจะไม่จริงกันเลยจริงกันแค่สองสามยกแล้วก็ล้มละเลยกได้เ <laughs> <laughs> นี่ยท่านจสอนว่าเอาจริงเอาจังต้องเอาจริงเอาจังต้องสู้ไม่ถอย ไม่อยู่่งกว่าศัตรูของเรามันตายแค่นั้นเราถึงจะอยู่ถ้ามันยังดิ้นได้ก็ต้องเอาให้มันนิ่งไปเลยสมาธิปัญญาเนี่ยมันเป็นทำเกี่ยวเนื่องกันนากต้นที่สติก่อนรล้วพอมีสติแล้วเวลานั่งทำสมาธิก็จะสุบพอมีสมาธิออกจากสมาธิพิจารณาใจลัตรพิจารณาสุขะพิจารณาร่างกายมันก็จะมันก็จะโป่งจะวางได้ จะตัดได้แล้วมันก็จะขยับจากร่างกายมันก็จะไปสู่นามะขันต์ต่อไปสู่เวทนาสัญญาสังขารยมยังแล้วก็เข้าไปสู่จิตเพราะกิเลสเป็นละเอียดเข้าไปกิเลสที่อยู่กับร่างกายมีส่วนใหญ่กิเลสที่อยู่กับนามะขันต์คือุ่งเวทนาสัญญาสังขารมีส่วนกลางแล้วมันก็ยังมีส่วนละเอียดที่เกิดที่ยังฝังลึก อ, อยู่ในจิตที่นี้ก็เอาวิชาอยู่ในจิตเอง เราต้องค่อยบุกตอนต้นก็เจอลูกน้องก่นอนเจอพวกพวกพวกในสิก่แล้วก็ไปเจอพวกในร้อยในพันล้วถึงขั้นไปเจอในพลตั้งอยู่ในกองบัญชาการอต้องเข้าไปตามลําดับค่ะญญาาท่เจ้าคะอาจารย์บอกว่าความความความสุขนี่เป็นเหตุใกล้ที่เกิดสมาธิความหมายตรงนั้นนี่หมายความว่าคนต้องนั่งเอ คือถึงบอกว่าไอ้ความสุขตรงนี้เนี่ยที่จะเป็นเหตุการให้เกิดสมาธิคื อ, อยังไงนะเจ้าค่ะกายพ้วนมีชัดว่าสติสติตัวสติสติเป็นเหุ้ให้ทําให้จิตสงบพอจิตสงบก็จะเกิดความสุขขึ้นแล<ช>้วเมว่าเกิดความสุขทางสมาธินี้แล้วก็จะติดใจจะเหลืความสุขทางรูปสีกลิ่นรสจะหันมาหาความสุขทางจิตใจจะมาทำนั่งสมาธิในใจรู้สติ มากขึ้นไปดเรื่อยๆเพราะว่ า, วารถมันต่งกำั น, นรถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงโอเคไหมท่านอาจารย์ญญครับขอความกรุณาช่วยอธยที่ไปทาบ่อรูปรายะค่ะอันนี้เป็นสังยชน์ท่านสูงคือท่านระดับเป็นสังยชนของพระ อ, อนาคามี คือผู้ที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นพระอรหันตานี้ยังต้องละ ส, งสังโยชน์หรือถ้าเป็นพูดทางภาษาสมัยใหม่ก็คือข้อมือที่ไอ้ที่ตํารวจเขา้อเข้ามาัดข้อมือผู้ร้ายเนี่ยมันยังมีอห้าข้อยังมีอีห้าห้าชิ้นด้วยกันที่เราที่เต้องแกะออกสังโยชน์ก็คือตัวที่ผูกมัดติตให้ติดอยู่กับการเงินว่าตายเกิด สังยชนนี้ทั้งหมดมันในสิบพระโสดาบันพระสกิดาคารีและพระอนาคามีนี้ละได้ห้าห้าสังโยชน์ด้วยกันเรื่องสังโยชนเรื่องต่ำพระโสดาบันนี้ละสารสารตัวคือจั ก, กายคติความเห็นว่าขันห้าลูเ่เวทนาสัญญาสังขารนี้เป็นตัวเราของเราพระ ถ้าสดาบันจะจะละทกายทิฏฐิได้แล้วก็จะละความเังตาสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่เพราะท่านปฏิบัติถึงขั้นนั้นแล้วท่านก็จะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าความทุกข์นี้เกิดจากความที่ไปยึดติดกับสิ่งที่ไม่เที่ยงจชนั่งกาย พอเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงก็ปล่อยความยึดติดจิตก็หายทุกข์จิตก็เข้าสู่การสงบเมืเม่อจิตสงบก็จะรู้ว่านี่คือธรรมก็จะเป็นงาะรับสิ่งใดที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาคือยอมรับ ก, การดับการพัดพลาดจากกาันการสูญเสียต่างๆนี้โดยที่ไม่มีความรู้สึกหวาดกลัวรู้เสีย อ, อกเสียใจ เนื้อเมื่อได้พบกับความสงบภายในใจนี้ก็จะรู้ว่านี่แหละคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตมันก็จะเข้าใจความหมายนี้ขึ้นมาอันนี้มันเป็นเห็นมันเป็นความสงบที่ต่างจากสมาธิสมาธินี้เป็นเพียงกดให้กิเลสหยุดทํา ง, งานเชื่อข่าวแต่สมาธิแต่ความสงบของพระโสดาบันนี้มันตัดตัวตั ว, ต, วตัวสมุทัยได้ตัว ความอยากอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้แต่มันก็เป็น <c oughs> เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเป็นสังยอดเราสังยอดอันที่สาก็คือจะเม็ยึดติดอยู่กับศีรัตพตะตาปรมาสีรัตพัตะตาตะนี่ก็คือคนที่ไม่ไม่รู้ว่าสีนี่แหละคือเป็นเป็นเป็นธรรมที่สะเดาะเเคราะห์ได้ เราก็เลยไปสะเคกาะห์กันด้วยวิธีการต่างๆเช่เวลาเราตกทุกข์ได้ยากเราก็ไปเปลี่ยนชื่อบ้างไปหาหมอดูไปไปหาสิงแสเขาก็จะบอกว่าให้จัดธงจุ้ยใหม่ให้ให้ไปทำพิธีอะไรต่างๆเพื่อสะอเคราะห์ความจริงเคราะกรรมที่เกิดขึ้นนี้มันเกิดจากบาปการรมที่เราทํามาในอดีต เราถึงรามารับใช้กรรมในปัจจุบันนี้ถ้าเราไม่อยากจะเจอเอราะกรรมอย่างนี้ต่อไปเ น, นี่ยนะเราก็อย่าไปอย่าไปทํำบาปอีกพระสุรยาบัญจึงไม่ละเมิดสี่งห้าโดยเด็ดขาดเพราะท่านเรู้แนละ้วว่าสินี้การละเมิดสิ่งห้าเนี่ยเป็นการสร้างเคราะห์กรรมและการที่จะไม่ให้มีเคาะห์กรรมเกิดขึ้นก็คือต้องไม่ ท, ทําทําบาปต้องรักษาสิ่ห้านี่ก็คือ สั่งย่สัง ต, ตัวแรกที่พูดถ้าใครละได้แล้วก็จะเป็นพระโสดาบันขึ้นมาต้องละจักรยพิจิตละศีลพัฒนารมแล้วก็วิจิติิฉาความสงสัยในพระพุทธธรรมผสมถ้า พ, พูดพูดถึงพุทธธรรมะสังฆะนี่หมายถึงอะไรยังไม่เข้ า, จาใจแต่พอปฏิบัติจิตกับกิเล็ดได้จิตรวมลงเข้าสู่ควางสงบพัดก็ว่าออนี่เองอยู่ตรงนี้เอง ความกลัวตายได้ท่งนจะอยู่ในป่าแล้วก็ปงตายเป็นตายพยามตายจิตปล่อยร่างกายจิตมันก็หลุดมันก็หลุดเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ความสงบแล้วมันเข้าสู่ความสงบแบบไม่ต้องใช้เบอร์กรรมพุทโธนั่งหลับตามันเข้าด้วยการปงอย่างนี้นปูชอบที่ท่านเดินในป่าแล้วท่านไปนจ่าเอ๋กเสือนจิตท่านก็ปล่อยร่างกายวุบเข้าไป นี่นะก็คือเรื่องของสังโยชน์ของพระสุดาบันส่วนสังโยชน์อีกสองตัวคือการมลทะกับปฏิทันี้เป็นของพระเศรษฐาธารมีและพระอาคาธรรมีที่จะต้องละการมลทะก็คือการไม่เห็นสุภาษณ์การเห็นสุภาษณ์ทให้เกิดการมลทะขึ้นเวลาเราเห็นของสวยงามเราก็เกิดความกําหนัดยินดีงั้นเราก็ต้องแก้ด้วยการเจริญสุภะษณ์พอเราเห็นสิ่งที่สก ป, ป, ปก เมื่อไม่สวยงามเห็นชาติศพนี่มันก็จะไม่เกิดการมาราคะขึ้นถ้าเป็นพระสัจปีดาครมีท่านก็ทําให้เบาบางลงไปคือเมื่อก่อนอาจจะมีร้อยเปอร์เซ็นแต่พอทําละได้ประมาณครึ่ง น, นึ่งนี้ก็จะถือว่าได้บรรลุเป็นพระสัจปีดาคารมีแล้วถ้าถ้าละถ้าละการมาราคะได้หมดถ้ามีเห็นสอสุภตะตลอดเวลา เนรูปร่างใครก็เห็นแต่อสุภะอยู่เรื่อยๆมันก็จะไม่มีความกำลังยินดีเกิดขึ้นอยู่ในใจเลยอันนี้ก็จะเป็นพระอนาคมมามีละละกรรมาราคะได้เมื่อละกมารมละฆะได้นมันก็จะละละปฏิฆะได้ปฏิฆะก็คือความเหงื่อหีบใจของเราบางทีเวลามีกมารมราคะมันก็จะเกิดความเห่ื่อหีใจขึ้นมาถ้ามันยังไม่ได้เสด ก, กายเท่า ถ้าพอมาเสกกา ร, การาความความหุนหิตใจมันก็จะหายไปชั่วครางแต่พอเกิดการมาราคะขึ้นมาใหม่มันก็เกิดควา ม, ม, มหมมุนหิตใจขึ้นมาเราต้องห า, หาวิธีระงับความหุ่นหิตใจนี้ให้ได้โดยการไปเสกการก่อนแต่พอเราไม่มีการมาราคาผ่านความหุนหิตใจที่เกิดจากการมารรคามันจะไม่มีมันก็นกสังโยขอ ง, งตัวนี้ก็หมดไปก็จะได้เป็นพระอนาคามี เรื่องของร่างกายก็จะหมดปัญหาไปไม่ต้องพิจารณาเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นความตายความเจ็บนี้ก็ปล่อยวางได้เรื่องของความสวยงามอยากที่จะมีอยากจะเสกกลางกับทางนี้ก็หมดไม่มีปัญหาในร่างจะไม่มีความอุปทานที่ติดในร่างกายไม่ว่าในรูปแบบางก็ตามก็ ถ้าถึงขั้นั้นก็จะไม่มีปัญหาต่อไปสำหรับร่างกายไม่ต้องพิจารณาร่างกายต่อไปแต่ยังมีสังโยชน์ที่มันยังผูกมัดมจิตให้ติดอยู่กับอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่กับความทุกข์อยู่ท่าตัวเกิดเริ่มต้นด้วยรูปรารักะกับอรูปรารักะรูปราคะก็คือความกำหนัดหรือความชอบความยึดความชอบในในใ น, ในรูปประชงัง พ่าจิตกลางว่างกางมีนี้มันจะอยู่ในระดับเดียวกับรูปฌานกับอรูปฌานมันก็จะติดอยู่กับความสงบแล้วมันคิดว่าความสงบนี้ก็คือพระนิพพานมันก็เลยติดอยู่ตรงนั้นจังการมันจะเริ่มสังเกตเห็นว่ามันไม่ใช่มันมีการเปลี่ยนแปลเพราะพวกนี้ยังมีอยู่ยังมีไตลักษณอยู่มันยังเป็นไตรลักรู์รูปฌานกับรูปฌานนี้มันจะเจริญและเสื่อมเจริญและเสื่อม เวลาที่มันสงบมันก็มีความสุขแต่พอมันเริ่มเสื่อมเนี่มันก็จะเริ่มรู้สึกว่าความสุขนั้นหายไปถ้ามันไม่ฉลาดมันก็จะพยายามนั่งทําจิตให้สงบหน่อยมันก็จะติดอยู่กับความสงบขั้นยูปราราทัศยูปาราธะศังั้นคนที่ผ่านร่างกายมานั้นต้องระวังความสุขแบบนี้เพราะจะติดความสุขแบบนี้ได้ก็ต้องรู้ว่านี่มันไม่เที่ยมมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงของของพระนิทาน แล้ก็ต้องออกมาพิจรารณาดูแล้วว่าจิตยังติดอยู่กับไอ้นี่ไม่เปล่าถ้าจิตก็ต้องหาวิธีละมันก็ต้องใช้ใจลกเหมือนกันมาต้องพิจรารณานว่ารูปปฌานแล้วรูปฌานนี้ก็ไม่เที่เป็นทุกข์ไปแล้วนับตาถ้าเราไปยึดไปติดมันมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ถ้ายังมีความทุกข์อยู่ก็ยังไม่ถูกถอน แล้วมันก็แต่บงที่พอมันออกมาพิจารณานี้นะมันก็พิจารณาแบบไม่หยุดไม่หย่อนจิตมนก็เลยเป็นก็เลยฟุ้งซ่านขึ้นมาแต่ฟุ้งซ่านระดับของพระอนาคามีคือมันไม่สงบเพราะมันมันพิจารณาเพื่ออยากที่จะเพื่อที่จะตัด ก, กิเลสอันนี้แต่พิจารณาแบบไม่พักพักจิเลยก็มันก็ทําให้เกิดไอ้หังโยนอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่า อุท ธ, ธัจจะขึ้นมาได้อุท ธ, ธัจจะอันนี้การกับอุท ธ, ธัจจะในนิวรณ์อุท ธ, ธัจจะในนิวรณ์นี้ก็เป็นความพุ่งซ้านระดับของปุถุชนอันนี้ความพุ่งซ้านของของระดับพระานาคามีออ น, นี้ฟุ้งกับการเจริญไตร ล, ลักษณ์นะไตรลักษณ์นี้ถ้เจริญมากๆมันก็กลายเป็นอุท ธ, ธัจจะทําให้จิตพุ่งขึ้นมาได้ก็ต้องหยุดเองก็ต้องสลับกันพิจารณาพอมาเริ่มฟมุ่งแล้วก็หยุดกลับมาเข้ามาเข้าฌาน เข้ามารูปชานหรือเอารูปฌานมาพอจิตสงบพักสงบสบายแล้วก็ออกมาแล้วก็พิจารณาใหม่จนกว่าจะตัดอุปท า, านที่ยึดติดจากความสงบอย่างนี้ได้แล้วมันก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือมานะก็ยังกันในจิตมันยังมีความถือตัวอยู่ถือว่าเราเท่าเขาบ้างสูงกว่าเขาบ้างต่ำกว่าเขาบ้างอันนี่มันก็เป็นสมมติไดบ เพราะความจริงแล้ว <Evet. S 2> จิตนี้มันไม่มีตัวตรง ม, ม, ม, มันไม่มัไม่มีตัวเราของเราจิตเราไม่สูงกว่าใครตร่ำกว่ใครจิตใครก็จิตของมันก็เป็นจิตของมันต่ำคนต่างก็เป็นจิตไม่มีตัวตนเราไม่ได้สูงกว่าเขาต่ำของเขาไอ้ที่สูงกว่าเขาต่ำของเขาเนี่มันเป็นสมมุติเป็นสถานภาพของจิตของแต่ละคนมีความรู้ความสามารถแตกต่างกันแต่เราไม่ควรไปยึดติตกับความแตกต่างนีน้เราต้องทั้ว่ามันเป็นสมมุติ มันมีการเปลี่ยนแปลงได้สูงได้เขาอาจจะสูงกว่าเราในวันวันนี้เราสูงสาพมวันนี้ก็อาจจะสูงกว่าเราก็ได้เราสูงกว่าเขาวันนี้เราอาจจะต่ำกว่าเขาก็ได้หรือเราต่ำกว่าเขาในวันนี้เราอาจจะสูงกว่าเขาก็ได้ถ้าเราไปยึดถือความติดความสมดุลนั้นเรก็จะเกิดมีความสุขความทุกข์เวลาเราสูงกว ide, ่าเขาก็รู้สึกดีอกดีใจเวลาเราต่ำกว่าเขาก็รู้สึกน้อยอกน้อยใจเนี่ยก็ต้องรู้ทันว่ามันเป็นสมมติ แล้วมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าอาวิชชาอาวิชชานี้ก็คือการไม่เห็นความทุกข์ที่ละเอียดที่สุดที่ยังมีอยู่ในใจที่มันอยู่ในในในในในอะไรในข้าวของความสว่างสวยที่หลวงตาท่านบอกว่าจิตของท่านนัน้นสว่างสวยอย่างน้แต่มันก็มีปรากฏมีคำอุธานออกมาว่า ตรงใดที่ยังมีจุดมีจุดมีต่อมอยู่ตรงนั้นก็คือพบชาติท่านก็ไหวตัวนี้แ่ะคือตัวความสว่างสว่างนี้ะที่เป็นจุดเป็นต่อมแต่ตัวนี้ที่มันยังมันสว่างแล้วมันก็มันก็มีมีเสื่อมลงมาได้เหมืันมันก็ไม่สว่างไปตลอดก็ต้องรู้ทันแล้วก็ไม่ไปยึดไปติดนั่นเพราเพราอบไปชอบความสว่างเวลาไม่สว่างมันก็จะเกิดความชอบหมองขึ้นมาทางด้านจิตใจ ก็เป็นการทุกข์ขึนาขี้ะอะไีกขึ้นมาแล้วก็ยังต้องคอยรักษาให้มันสว่างขึ้นมาแบบนี้มันก็เลยยังเป็นงานต้องทําอยู่ก็ไม่ใช่ถ้าถ้าพิจารณาไปแล้วก็จะก็จะพบทางย้อนเหล่างนี้ว่ามันเป็นตายรักเหมือนกันก็ต้องก็ต้องจับเหมือนกันมันจะสว่างก็สว่างมันจะไม่สว่างก็ช่างเหมือนเหมือนกับ มันก็เวทนามันจะสุขก็สุมันจะทุกข์ก็ทุกข์ก็ช่างมันมันมันจะเป็นอย่างไรก็ช่ามันอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากให้มันสุขอย่างเดียวเพราะถ้าอยากให้มันสุขอย่างเดียวพอแล้ไม่สุขมันก็เกิดความทุกข์ใจกันอย่างนี้อันนี้กับมันนั้นถ้าไปอยากให้มันสว่างไปอย่างเดียวมันก็มารมันมันไม่สว่างก็จะก็พยายามที่จะทําให้มันสว่างขึ้นอย่างน มันก็ถึงจุดนั้นก็ต้องรู้ทันแล้วก็ปล่อยวางไม่ไปยึดกติสิ่งต่างๆที่มีอยู่ภายในใจที่ละเอียดของพระอนาคามีนั้นแหละก็คือรูปฌางก็ดีอลูปชางก็ดีมานะก็ดีอวิยชาก็ดีมันก็จะรู้ต้องรู้ทันมันแล้วก็ปล่อยวางพอปล่อยมันได้ตัดมันได้แล้วมันก็จะหายไปในที่มันก็จะไม่มีอะไรเหลืออยู่ทีนี้มันก็จะว่างจริงๆ วางประกานี่นจะบอกว่าเวลาพิจารณาได้รักไปแล้วมีเกิดปุ้งเนี่ยถ้าเบิกท่านอนุธรมีก็จะมีเข้าไปสู่ฌานหรือลูกานเนี่ยครับกับไปที่นั่นเพื่อที่จะพากจิตแต่ถ้าเบอกว่าถ้าเบิต่าระดับต่ำคนนั้นก็ถือว่าเป็นการเข้าสมาธิใช่ไหมครับมันก็เหมือนงานสมาธิก็ชาเหมือนกันเหมือนกันเรง้ว่าฌานของพระอนุธรรมีนี่มันมันเป็นแบบ ม, มันเป็นผลที่เกิดจากการชำระจิตมันไม่ได้เกิดจากการกดกิดเลสแต่เป็นการตักเอากิเลสออกถ้<ม>เาเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าชาญของชายของสมาธิเป็นเหมือนการเราแกงสารส้มในน้ำแล้วทําให้ให้สิ่งที่เป็นเป็นสิ่งสับเ ป, ปลอ่ยนนี้มันตกตะกอนแต่ถ้าเราเวลาไปตักน้ำขึ้นมาตะกอนมันก็จะลอนขึ้นมา แต่ส่วนของพระอนาคามีนี้ท่านตักเอาตะ ก, กรอนออกไป mm hmm. ถึงแมท้ท่านจะท่านจะตักน้ามาใช้เท่าไหร่มันก็มันก็มันก็มีเหมือนการพ่อตะ ก, กรอนที่ละเอียดกันนั้นยังยังมีอยู่แต่มันถ้านยังตักออกไม่หมดเ น, นี่ยท่านพระอนาคามีนี้ท่านยังยังไม่สามารถที่จะเอากิเลสที่ละเอียดคือพวกไอวกไอสังโยธาตัวนี้ออกไปได้ยังมันยังมีอยู่ ก็เลยทำให้จิตของท่านยังมีความทุกข์อยู่แตะมันมันมันต่างกันกับกับเอ่อความสงบที่ได้จากจากการกดมันไว้แค่เราเราเพ่งแล้วบริกรรมพุทธโธแล้วจิตสงบลงกิเลสมันหยุดทำงานแต่มไม่ตายแต่จิตของพระนาคามีเอากิเลสที่ทาให้จิตนี้อยากนี้ออกไปเลย เกิดก็อยู่ในข่านลูกกระชางลูกประชาแต่ข่านลูปกระชางลูปกระช า, า, น, ช า, ชานี้ก็ยังมีเกมอย่ที่ละเอียดกว่า ย, ยังยังยังที่พาณัทานทียังไม่ได้ตักออกไปก็เกอดวิชามานะอาจารยนะ ท่านทำท่านมาเกิดแล้วให้พบครูบาอาจารย์ว่าถ้าไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วท่านแก้ปัญหาของท่านได้เองท่านดูแล้วว่าท่านจะดูจิตของท่านอย่างเดียวท่านจะดูในขั้นท่านจะดูอริยสัจสีทุกสมุทัยนี่รุนละแค่แกตัวเองเองแต่จะช้าหรือจะเร็วใหม่ๆจะหนุนติดอยู่ก่อนเพราะไม่เคยเจอความสุขแบบนี้มาก่อนแต่พออยู่ไปนานๆแล้วก็จะเริ่มชินกับมันแล้วจะเริ่มเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลง เหมือนเราได้แล้วมาใหม่ๆเนี่เอาแล้วก็หลงรักมันสวยดีอย่างเดียวแต่พออยู่เป็ น, นานๆแล้วก็จะเริ่มเห็นว่าอา้ามันไม่ดีอย่างที่เราคิดเท่าไหร่แต่ตอนใหม่ๆนี้มันจะอย่างนี้ก่อนเพราะโซดาบันก็เหมือนกันเวลาบรรลุขั้นโซดาบันใหม่ๆก็จะสุขกับความสุขอันนี้มีความสุขกับการที่ไม่กลัวเจ็บกลัวาตายแต่ยังไม่รู้ว่าตัวเองยังทุกข์กับการที่ยังไปติดคนนั้นคนนี้อยู่ว่ายังต้องเสพกลางอยู่ ต่อไปเริ่มรู้ว่าการติดการอยากจะเสกาวนี้มันเป็นทุกข์แล้วทีนี้ก็ต้องหาวิธีดับมันละ mm hmm. ก็ต้องคิดถึงความไม่สวยไม่งาม แ, mm hmm. แต่เราได้มาใหม่ๆนี้มันจะไม่เห็นความความความสุกว่ามันเป็นความทุกข์ว่าเราเราแก้ปัญหาส่วนหนึ่งได้แล้วเรามีความสุขกับกางได้แก้ปัญหาแต่เรายังไม่เห็นปัญหาที่ละเอียดอยงน้ที่ยังรอเราอยู่ข้างหน้าต่อไป ถ้ามีครูอาจารย์คอยสอนคอยบอกขั้นตอนมันก็จะไปเร็วมันจะไม่เสียเวลาแต่ถ้าไม่มีมันก็อาจจะต้องใช้เวลาให้มันเบื่อก่อนโดยอรับความสุขที่เราได้รับแล้วเ ร, เริ่มเห็นปัญหาหม่ที่เริ่มโผมขึ้นมาให้เราเห็นอีนิดหนึ่งก็อย่ามาคนบางคนเวลาฟังธรรมก็มารูุ้ได้ทั้งสีขั้นเ่ยท้าวุฒิเจ้าแสดงทัพตั้งแต่ขั้นสวดา ข, ขึ้นไปถึงขั้นถึงพระอรหันต์นี้ท่านฟังต่างแล้วท่านรับพิจารณาตางได้ ทำ um ต, ตามได้ทำเข้าใจเข้าใจท่านตับตับท่างๆท่านก็ได้ตอนที่แสดงข้างงแรกนี้ก็ได้โสดาบันเป็งคนเดียวเพราะท่านยังอาจจะแสดงไม่ละเอียดพอแต่พอท่านแสดงอนัตตลักษณ์นตสว่าเวทนาสัญนาสังลูกเวทนาสัญญาสังขารเต็มอนิจังปนัเป็นนัตตาท eh ่านท่านห้าก็บรรลุเป็นตาหนามได้ แต่ทางท่านแสดงเพลงอรยิยสัจสีแสดงทุกสมทงทัยรนุนละ mm hmm. มันแสดงได้ mm hmm. อยู่ที่ผู้แสดงว่าจะให้ทําแค่ไหนคนฟังก็จะบรรลกได้แค่นั้นเดี mm ๋ hmm. ยถ้าถ้าแสดงทําขั้นสูงแต่คุนทำให้คนฟังยังไม่มีบาลาีพอ mm hmm. ไม่มีปัญญาพอก็บรรลุไม่ได้ mm hmm. ฟังก็เป็นเหมือนถ้าพี่ในหม้อแกง mm hmm. ฟังแล้วไม่เข้าใจ ก็เป็นทั้งทักษของส่วนอยู่ที่คนแสดงด้วยแล้วอยู่ที่คนฟังด้วยถ้าคนแสดงแสดงถึงเต็มที่แล้วคนฟังรับได้เต็มที่จะบรรลุได้เต็มที่แต่ถ้าคนแสดงแสดงให้แค่ขึ้นเดียวนี้คนคนฟังไม่ว่าจะมีความสามารถบรรลุได้ทั้งหมดก็บรรลุได้แค่ขึ้นเดียวเพราะคนแสดงเพียงแต่แสดงเพียงครึ่งเดียวเท่านั้ต้องรอภาคสองถึงจะถึงจะจบ เ น, นการฟังเทศฟังการจากผู้ที่รู้จริงเห็นจริงนี้มันมีคน ม, มีประโยชน์มากเพราะทุกคำพูดนี้ไม่มีข้อสงสัยเลยเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแต่คนที่ไม่รู้จริงเห็นจริงนี่นก็ไม่แน่ไม่ไ ม, ไม่ไม่แน่ใจคิดว่าอย่างนั้นอย่างนีน้คนฟังก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน <laughs> มันต่างกันเวลาฟังเทศฟังกรรมจากคนนี้กับคนนี้ดูอาจารเจ้าพัสเอ่อพสดยาปันนี้คือนิวรห่านี่จะดังรไนี่เจ้าค่ะนิวรห้ามันดังตั้งแต่แรกสมาธิบ้า <c oughs> ถ้าจิตไม่สงบก็เพราะว่ามันถวงนิวรห่านี้กั้นอยู่นิวร น, นี้แปลว่าอุปสรรคขวางที่จะขวาแม่จิตนี <c oughs> ้เลงสความสงบงั้ <c oughs> นผู้ที่จะทำจิตให้สงบเป็นสมาธิได้นี้ต้องกาจัดนิวรห้า การมาฉันทาก็คือย่าไปอยากในรูปเสียงสิ่งนั่งสมาธิอยากกินเล่าอยากจะสูบบุหรี่อยากจะเดื่นน้ําอะไรต่างๆอยากกินนั่กินนี้นั่งสมาธิไม่ไดต้ต้องถือสิงแปล่านี้ต้องกินเฉพาะนีถ่ถือถือกินข้าวมื้อเดียวแล้วไม่กินอะไรนอกจากดื่มน้ํำแล้วก็ต้องมาติดวิเวกไม่เป็นววปอยู่ใกล้โทรทัศดไม่อยู่ใกล้ตู้เย็นไม่ได้อยู่ใกล้รูปเสียงสิ่นั่ เขเรยกว่าต้องทำต้องกำแจดการมมาฉันทะก่ต้อ ง, ากกา ง, องตองีวิเวกต้อง ส, องสัมลือตาหงษ์เสมอที่นี่ก่อนนี่ก็วิธีแก้นิวรณ์กรรมฉันทะส่วนการสงสัยก็ให้ฟังธรรมมากๆฟังจากผู้รู้จะได้ไม่สงสัยว่ามรรคผลนิพพานมีจริงหรือเปล่าสมาธิมีจริงหรือเปล่าทำแล้วจะสงบจริงหรือเปล่าถ้าไม่มีถ้าไม่ได้ยินฟังจากผู้รู้ก็จะไม่ไมแน่ใจก็จะไม่มีความมั่นใจนะ ก็าอาจจะไม่ตั้งใจพอที่จะปฏิบัติแล้วส่วนความอความง่วงเหงาเหานอนก็ต้องอดอาหารไม่ไปอยู่ที่มันน่ากลัวน่ากลัวมันก็จะไม่ง่วงต้งแก้เส่วนความโกรธก็ต้องถแถงเมื้ตาต้องให้อภยัยอย่าไปถือโทษกเกินเกินใครใครก็ว่าใครก็ด่าใครก็แก้งเราก็อย่าไปถึงโทษกเกินเกินถ้าไม่งันเวลานั่งแล้มันจะขุ่นมัว ไม่สงบและไอ้คำนั้นคือความทุ่งซ่างก็ต้องควบคุมจิต ด, ด้วยสติเจริญสติเยอะอย่าให้จิตคิดเรื่องราวต่างๆแต่ถ้ามีถ้าถ้าแก้แก้ที่นอนข้านี้ได้แล้ว น, น, น, นั่งสมาธิมันก็จะสงบมได้ีเรื่องของนิวรณก่อนอจะได้สมาธิก็ต้อง ก็ต้องแก้นิวรณ์ด้วยกันะ ท, ที่สอนเองก็สอนเรองแก้นิวรณ์เนะี่บอกให้ปิดเเล่ห์อยู่ออตามําพันธ์คนเดียวให้รู้จักประมาณในการรับประทานอาหารอย่าไปกินเพื่อรสนิชากินเพื่ออยู่กินไหมือนกินยาอย่างเงี้ยมันก็จะได้ไม่เกิดเย่างนีั่งสมาธิแล้วเดี๋ยวก็อะอยากจะเดิมนูน่นเดิมนี่นะอยากจะกินนั่นกินนี่ขึ้นมามันก็สติแตกสมาธิแตกนั่งไม่ได้แล้วเราก็ต้อง เคยเป็นกฎบางครับเหรกินเมื่อเดียวหลังจากกินแล้วก็มมนจะเอาอะไรกะนอกจากเดินแต่น้ำอย่างเดียวแล้วก็ตองไปอยู่คนเดียวตื่เว่ยๆไม่ให้รับรบน้ลูกสินงเก็บรดต่างๆเช่นมาอยู่ในป่านี้ยอไปอยู่นี่วันแ้นั่งสามาธิันสนบง่ายเนี่ย กับเวลานั่งที่บ้านมันต่างกันนะที่บ้านมาีนั่นมากลิ่นชชยมาจากที่ไหนเสียง <c oughs> มาจากที่ไหนนะมาละคเรื่องนั้นมาถึงแล้ว <c oughs> นอนไม่ได้แล้วเนี่ยคือวิธีแก้หนี้วานหนี้วานห้า อ, อกข้าวเนี่ยไปอยู่ที่หน้ากลัเนี่ยมันก็จะไม่ง่วงนอน ทางเทศทางธรรมก็จะได้ไม่สงสัยพอเราพอเรากรากจัดนิวรณได้ได้สมาธิได้ทีนี้เราก็ออกไปทางปัญญาได้พิจารณาปัญญาได้ก็จะก็จะตัดอิจทานตัดสมุทัยได้ตัดความยึมั่นถึงมั่นตัดความอยากต่างๆได้ก็จะรู้ทําได้พระอาจารย์้วไม่ยึดตดั้งแล้วตั้งยอดนะตั้งยอดแต่ว่า เรื่องพันฒนาการอย่งที่ผูกจิตให้เิียอยู่กับวัตจะ ก, กับการงินร่ายกายเกิดเยาจะจบยังไม่จบสักทีนะพอแล้วนะไม่พอแล้วนะนะ